อันนี้ขาประจำไม่โผลนะถ้ารอเดี๋ยวอ่าถ้าเช่นนั้นก็ไปที่จะแมสกับแชทที่ก่อนมั น, นี้ตลาบนมาสการ์พาซาครับตามมาส่งไอ้ว้างครับอันนี้นอนเลยกี่นาทีนะ้วหาสิบนาทีครับได้เพิ่มครับไหวเนี่ยไหวครับไม่ลำบากนะไม่ครับ ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นครับเอนี่ยทำยังไงถึงนั่งต่อได้ครับทีก็พุดโธครับพูดโทนะครับโอเคจะถึงการบ้านแลว้วเนี่ตอรัามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้คพ้นความเจ็บไข้ไ ป, มมปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพากจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนวเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมบรไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างดีทุกวันทุกพันเถิดจาไม่ห้ดีนะความจริงรของชีวิตเข้อสอบของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเราจะสอบผ่านหรือไม่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็สแสดงว่าเราสอบผ่านถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็สแสดงว่าเรายังไม่ผ่านครัแล้ว ร, ร, ร, ร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บ ปั่นถั่งนะเป็นกระดูกเนื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับอัมพฤกษ์ไตปอดไซสใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อ นำมูดน้ำมูดนอกจา้อน้ำมูดน้ำาบน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเงือ่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเส็จน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตหงือครตับปัวใจหมามเยื่อนกระดูกกระดูกเนื้อหนัง ปันแล็บฝนตกผผอ่าร่างการนี้สวยงามไหมไม่สวยครับแล้วไมเขาปรกงงากวดง่ายนวะันน่ะหลมครับหลงนะครับเราเขาไม่รู้อาการสามสิบสองนี้ไหมใช่ครับคนทั้งเราเ น, นี่ไม่รู้เรื่องนี่นะแป่งนะครับเป็นของที่มีในตัวเราทุกคนใช่ครบับไม่รู้กันไม่มองกันไม่เห็นกันครับ นี่แหเารียกว่าโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ป็นบางความจริงพระอาจารย์ถึงบอกว่าเราต้องเอาความจริงมาสู้กับโมหะอวิชชาพยายามรอด้วยอยู่เรื่อยเห็นน้างกายของใครต้องเห็นอาการฐานสิบสองนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะครับเอาอย่างนี้ไปนี่ก่อนนะขอบคุณพระอาจารย์ครับ ไปที่ได้ใช้เลนก่อนนะเลนทำงานานอยู่แล้วครับกระกานมัตการหลวงพ่อก่อนจางกัถ่รกาับหลวงพ่อดีๆครับนำมัตการชาญหลวงพ่อไม่มีก็มีอ่ะใชแลวอ่ะกับหลวงพ่อกับลูกกับพ่พุธกับพระธรรมกับพระสงฆ์ค่ะยยมกลับมจับปฏิบัติแล้วค่ะเป็นยังไงไผลีหมเจ้าดีค่ะพระอาจารย์เขา ปฏิบัติแบบสติปัญหาสีแล้วก็อ ย, กอยู่กับอยู่กับรูปนามนะปัจจุบันนะคะโดนเลยลูก <S <S อุย้ยน้องเลนทิ้มตายเฮียขอโทษครับหายยังลูกอ่ะขอโทษแล้วอ่ะอะส่งการบ้านพระอาจารย์เลยครับมันมีอีกเจ็บมากไหมครับหายย่งหายยังครับน้องน้องเลนโดนเอเฮียเยอะเหรอลูกเออหลวงพ่อหลวงพ่อมองอยู่ครับหลวงพ่อให้น้องเลนหายนะครับ น้ำตาหลับเลยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรไม่ไหวเป็นหายหายยังครับหลงพ่อที่ครับฮะไม่คยยี่สิบยังเหรอครับอยากคายยี่สิบลูกเข้าไปเยอะไหมลูกโดนเยอะไหมอ่อนนี้เดียวหรออ่ะเก๋แล้วครับอ่ะหลับหลับตาแล้วท่องให้หลงพ่อฟังก็ได้ลูกแล้วก็หายอ่ะอยู่กับบทสดบนอ่านเรื่อยๆครับอะหนึ่งสองซ้ำลำโม่ตาดแสบหลับตาดีลูกโอเคลำโม่ตัดแสบปวดกวาดตัวหละตัวสระจะไม่จะสระ เดี๋ยวเราจะสาธุตัวตัวสัตว์อะไรต่างๆทั้งเท้าตัวแล้วสาธิตตั้งใจนะเอ็มวีซีมีสุภาษิตว่าโน้ตตัวโซเนจจะเป็นอะไรสุเหนื่อยไปเลยไม่ได้ใจหลุบมาแล้วมานี้นี่จะบอกว่เราสามารถจะวิจารณ์ธรรมะโน้นกับโน้นได้อะไรเราไม่สามารถทำันทำเช่นเดียวกันนะโอ้โห เราไม่รู้เรื่องเลยจ้าักไม่รู้เรื่องเลยเาเอาใหม่อ่าเร็วช้าๆหน่อยนะละโมตัสทักวัตุอาลัพตสัมสามุัาลัสะพจสนาโตวัาัพุวาสนาโมตัวััพตุวสาโมตุัตุาลัพุวาสจนาโมตวัาลัสวาสเจสตุวัรุอัพตุวานาโมตุขวัตุอาเจ้าตุวัตุอาัพตุาสามตุุ สุปติปันโนภาวาลวะกสคันติมานิอิติปิโสอติิโสภาวาอาราสมาสุตวิชาะมนุสกตโตโลกวิุนุตเโลกุิสัตยามาสติสตสตสารกุตโตภาสวะโตวาคาวะตธมการทกุกัปบอิปสิกโกบนิโกวจารวิธิตาิิติสุป ตัวปิปันตัวปะขวตัวแกรสังข์ข้ม่ตุ๊กิปันะตวกะสังงมยนยิปันะวตัวกะสังมสาีจิปิปันะวตวกะตงมัยิิ จะอคราเอสาพักวสาวะาสามโคสาวะาสามโคเอ่มาหัวเนยปลาหัเนยสักทีเลยอาจจะริกมาลานยอดจะราบุญดับเทียนแตัหงข้สารีอ่าต่อไปเลยลูกเราอะไรในคอนเสีรเป็นธรรมราจรู้คนคนเหิร์เปนไม่ได้แล้วอืออือดูด้วย มันมีความอลไรโซ่น้ำตาลน้าตาลตกใช่ไหมอ๋อเพะหลงพ่อน้ําตาลต่ำเดี๋ยวค่ะทานเจ็ดเม็ดก่อนทานลูกอมเจ็ดเม็ดก่อนค่ะทาน้ําตาลก่อนาน้ํำตาลเติมพลังก่อนเจ้คาค่ะ well ไม่งั้นเขาจะแบบว่านิ่งแม่เขาโทรมาเมื่อกี้ค่ะเขาจะดูทางโทรศัพท์ว่าน้ําตาลลูกเขาเท่าไหร่ตอนเนี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้น้ําตาลต่ำก็เลยโทรมาเมื่อกี้ค่ะบอกว่าให้ทานลูกอมเจ็ดเม็ดอ่ะดีขึ้นยังครับ รู้สึก ด, ดีขึ้นนัครับอ่ะพากก่อนก็ได้ไพาดไปโอ้ย <laughs> เอาท่านี้ก่อนไได้ก็กตอนที่โยมไปเขาก็ เ, าเขาจะเป็นแบบช้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือแทบจะไม่ได้สวดมนต์เลยค่ะก็จะตื่นเช้ามาก็จะท่องท่องสถึงแปดแล้วก็ให้ปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็าทานข้าวสองมือแล้วละทานเสร็จก็จะวางจาน เราไม่ต้องล้างไม่ต้องทําอะไรคือปฏิบัติเข่มมากเลยค่ะพระอาจารย์ดีค่ะแล้วก็อยู่กับรูปนามนะปัจจุบันตามความเป็นจริงแล้วก็จะแบบช้าแล้วก็เป็นแบบพองหนอค่ะแล้วก็เวลาเดี๋ยวเขาจะเน้นเดินจงกรมเหมือนว่าอยากยกหนอยกหนออยากยกหนอยกหนออยากย่างหนอย่างหนออยากลงหนอลงหนออยากเหยียบหนอเหยียบหนอถูกหนอกดหนออย่างนี้ยค่ะช้ามากเลยพระอาจารย์โดมก็ไปที่นี่ฝึกเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะทุกอย่างอยู่กับความอยู่กับณปัจจุบันเขาบอกว่า ให้ให้ให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงดูธาตุสี่หาดินน้ำลมไฟแล้วก็ณปัจจุบันในเดินธงกรมให้เป็นธาตุลมเป็นเป็นใหญ่ในการดูเจ้าค่ะ อ, อืเขาปฏิบัติกันเข่งมากพระอาจารย์บางคนเขาก็บอกว่าเ อ, อารายยมดูครั้งแรกโยมมันมีความสึกว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในดงของแบบว่าทําช้าๆเหมือนคู่คนชา้ากันหมดเลยค่ะพระอาจารย์อย่างเราทานข้าวก็แบบกว่าจะตกักกว่าจะเข้าปากกว่าจะเคี้ยวแล้วก็พิจารณาการเคี้ยว เป็นขังว่าที่ยอหถึงที่ยมทานข้าวรับพิจนาคือมันเห็นน้ําแบบจากการที่เราเคี้ยวปกติเราเคี้ยวเค้วและวกืนปกตินะคะพระอาจารย์วันนี้คนเราเคี้ยวเราเห็นแต่น้ําเต็มปากมันออกมาแบบมันข้างในมันดูแบบว่ามันต้องรีบกืนลงไปเลยค่ะพระอาจารย์มันเห็นว่ามันมันคุกเค้าก็อยู่ในปากมีแต่น้ําออกมาจากปกติเราทานปกติแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรค่ะพระอาจารย์พอรับพิจนาแล้วก็เห็นทุกอย่างเลยค่ะมันละเอียดขึ้นมากเลยนะคะพระอาจารย์ สิบสามวันนะคะอยู่อย่างนี้หมดเลยเจ้าค่ะ่ะ mm hmm. สบายมากเขาให้เน้นปฏิบัติอย่างเดียวเลยเชา้าก็เ อ, อพระอาจารย์ประจักษ์อะคะ่ะท่านเ อ, อศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตานาังเลนงังท่านมาสอนที่โยคูต์อะคะ่ะอยู่ศูนย์สองที่ปทุมก็ปฏิบัติสิบสาวันท่านก็อายุแปดสิบแล้วเจ้า mm hmm. ค่ะใช่ค่ะน้องเลนส่งต่อไวไหมครับหายแล้วนะครับอ่าต่อเล็ว เพราะอาจารย์รอยู่เพราะอาจารย์คิดถึงหายไปสองอาทิตย์คุณแม่เขาก็ไม่ได้เข้าเจ้าค่ะพาน้องเลนไปเอ่อหัวหินเจ้าค่ะอ่ะเร็วเรามีความแก่เร็วหลวพ่อเราความแก่นํามามเรา้ความแก่ไปไม่ได้เรามีความเ็บไข้ไปทำไมเรล้มความเจ็บไขไปไม่ได้เรามีความตายเป็นน้าหนักเราล้มความตายไปไม่ได้เราจะเามีเรแ้ต่ของแล้วของเจอใจแขงแรงเาก็เราจะต้องพูดถึงนั้น กรรอดเราจะต้องมาพีกกรรมนเรามีกรรเป็นกํนามีกเป็นหนเรมีกเป็นบ้านัรามีกรเป็นหน่บ้าเากรรป็นหระัไรวด้วยเราต้องรับผลของกรมนอ่ะรับจดไอแอนิซารุกแผาเมตตาสิครับตั้งใจลูกแผเมตตาแผาเมตตาก่อนอ่ะโอเคอ่ะาแผนเมตตาเร็วๆหลวพ่อแลครับ ผูสอนนรายนี้ก็พระเจ้าได้กระทแลวก็พระองคสิ่งนจะมุาทุกภษาทุกภวษาของเราลกในพเจาของหรทางและมุนทุกเจใจและก็ะมุบษสดันี้จะอย่างไรก็ตาและพิจารณการกรกษนประตขาวรจะเปสิงต้งใจและพิจ้รณาภาษาสุขีอาจจะนไปทำมาดูอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกข้อหนึ่งอะไรข้อหนึ่งข้อสอง พ่อหนูเขาก็สเขาสอง้าาาอมีใครหลที่าป şey> ิ่อห้าคจีคำคำคือาค่ะแล้วบอกหลวงพ่อซิว่าเลนเนต้องเลนเล่นบ่อยปล่อยปล่อยวัวปล่อยควายใช่หมครับปล่อยควายกี่ตัวบอกหลวงพ่อซิสอตัวเชื่ออะไรต้องเลนตั้งช да SO ื่ออะไรครับใหม่ ชื่อสายไหมค่ะพอดีประโยมบออกมาจากกรรมฐานจนก็ไปเอที่โรงค้าสัตว์ปทุมมะค่ะแล้วก็ปล่อยควายไปสองตัวแล้วน้องเลงกับน้องลิงเขาก็เอาตังค์เข้ามาร่วมด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ให้น้องเลงเขาตั้งชื่อควายเขาตั้งชื่อว่าสายไหม่เจ้าค่ะออืมให้ให้ความให้ชีวิตกับผู้เป็นเป็นการให้ที่สูงสุดนะที่ไม่ใครก็ใครใครก็รักกันทุกคน ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์แล้วตอนที่พระอาจารย์เดินตรงกลมพระอาจารย์ก็ไม่ได้ช้าแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็เดินธรรมดาฝึกสตินให้จิตให้จิตอยู่กับการเดินไม่ให้จิตไปที่อื่นไม่ให้จิตไปคิดเรื่องต่างๆให้รู้เฉ <c oughs> ยๆใช่คะ่ะโยมก็สงสัยว่าปกติเราก็เดินปกติแล้วก็ดูการย่างของเท้าแต่วมื่อนี่มันต้องแบบต้องใส่ต้นจิตตลอดเลยค่ะต้องมีคำว่าอยากยกแล้วเราถึงจะยกอยากย่างถึงจะย่างเนี้ยเจ้าค่ะ แต่ละสำนักเขาก็ไม่วิธีของเขาซึ่งเราก็ไม่อยากจะเข้าไปก้าใจใช่นะคะเขาจะเอ า, อาไปก็ไปไม่ได้ค่ ะ, คะแล้วเขาก็จะเป็นสายพองยุคแล้วโยมก็แบบครั้งแรกของการดูพองยุบค่ะเพราะปกติโยมใช้อานานแล้วที่โยมเคยราย ง, งานพระอาจารย์ว่าพอเราดูลมสักพักหนึ่งพอลมหายเราจะมาอยู่ที่ท้องที่ท้องยืดท้องปวดเงี้ยค่ะพอมาพอถึงพองยุค โยมก็ออกเพิ่งรู้ว่าพองดุบเขดูที่ท้องโยมก็ดูที่ท้องจากตอนแรกมันก็คล้ายๆดูลมอะค่ะมันแรงเบาๆจนมันหายไปเลยจากที่ท้องมันมันกระเพื่อมเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงก็เบาเสร็จแล้วก็หายแบบมันไม่ท้องไม่กระเพื่อมโยมก็เอ๊ะถ้าเกิดในเมื่อท้องมันไม่กระเพื่อมแล้วลมมันจะมีไหมคือสงสยัยเนะคะ่ะโยมก็เลยละละจากการดูที่ท้อง ย้อนกลับไปดูที่ที่ลมไปดูที่ปลายจมูกว่าลมเรามีไหมปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถจับลมได้พระอาจารย์พอเราโยมนอนนอนพวนาเพราะโยมเจ็บเจ็บเข่าอะคะโยมก็เลยใช้นอนพอนาโยมก็เลยเอีย ถ้าอย่างนี้ถ้าท้องเรามันมันไม่เข้าไม่ออกแล้วลมที่จมูกมันก็ไม่มีก็เลยสงสัยว่าแล้วลมมันจะเข้ามาหาเราได้ไงโยมก็เลยไปดูความหาลมด้วยค่ะพระอาจารย์ลมก็เลยกลับมาแล้วพอโยมไปส่งอารมณ์กับเ อ, อพระอาจารย์ของบ้านท่านก็บอกว่าเอ้ยเราทําผิดแล้วถ้าเราดูพองยุบก็ดูดูพองยุบอย่าใช้อาณาเข้ามาเงนี้เจ้าค่ะก็โยมแค่สงสัยเพราะว่าหนึ่งเมื่อท้องมันมันยุบมันยุบไปหนึ่งเมื่อเราหายใจท้องมันก็หายใจเข้าท้องออกพอหายใจ หายใจออกท้องก็จะแฟบใช่ไหมคะแต่นี่คือท้องเรานิ่งสนิทเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยย้อนก็เลยทิ้งจากจากทอพองยุบอะค่ะแล้วไปดูที่ที่ปลายจมูกมันก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ปฏิบัติีใช้ชาวพระจักรครั้งแรกของการปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะโยมก็สงสัยแล้วก็ของเขาอะถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราพองยุบเสร็จแล้วถ้ามีความคิดใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นสายอาณาของเราเราก็จะแบบว่า ถ้าคันอะไรแล้วก็จะไม่จะไม่สนใจแล้วจะมาอยู่ที่ที่ที่ไปลาจมูกที่ลมของเราอะค่ะแต่ถ้าสายพองยุบสายวิปัสนาค่ะพระอาจารย์ะ ถ, ถ้าเราคันปุ๊บเขาจะให้ให้ให้เราทิ้งจากจับพองยุบให้มาดูว่าคันเนอขันเนอะคันเนาะคันเนาะหรือปวดเนอปวดเนาะคิดเนาะคิดนนเนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราความคิดมันดับไปเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาดูที่พองยุบใหม่ก็บอกซึ่งจะคนละอย่างกับเอ่อ อนาคตการดูลมของเรานี่เป็นครั้งแรกค่ะว่าอาจารย์แต่โยมไปใหม่ๆโยมแบบโยมก็แบบแอบมองคนอื่นคนอื่นก็ทำกันช้าแบบมันเหมือนเข้าไปอยู่ในบ้านของผีดิบเลยพาอาจารย์ทุกคนจะช้ากันหมดเลยแล้วค่ะแต่สายขโยมก็ถนัดทางดูอนามากกว่าแล้วค่ะ แต่ว่าก็ไปให้รู้แล้วก็เราจะได้กลับมาปฏิบัติของการเดินถุงแล้วก็มีสติเวลาจะหยิบอะไรเนี่ยค่ะเราเขาจะต้องกําหนดหมดเลยว่าอยากรู้อยากหยิบขึ้นมาก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าให้เราระลึกแล้วรู้กับการกระทําของร่างกายอะค่ะแบบเดียวกันเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวก็เอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันเจ้าค่ะโอเคค่ะค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอกลับลาพระอาจารย์แล้วลูกกลับแล้วนะคะ ขออาจารย์พาดขันแข็งแรงเจ้าค่ะจ่าสาธุค่ะอ๋อดีดีสิลูกอ้าวดีดีแต่แต่พูดถึงสบายนะพอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ให้เราทําอะไรเลยค่ะให้เราปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็กินก็สองมื้อกินมังสะสิบสามวันแล้วก็ไม่ต้องล้างจานไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ด้วยเจ้าค่ะให้ปฏิบัติล้วนๆเลยค่ะอืมของวัวคุตเน้่ค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะอ่าต้องเตรียต่อ กราบรัมสการครับอาจารย์เสียงค่อยไปหน่อยนะอ๋อเดี๋ยวโอเคกันกราบธรรสการ์ครัอาจารย์โอเคใช่ไ้มคะมาส่งกันบ้านนั่งสมาธิชั่วโมงสิบแปดนาทีครับทางกันเท่าไรทางกันเก้านาทีทางกันสิบสามนาทีครับสิบสามีล้วสิบสามตามพี่จัดที่ทันไหมไม่า อาจจะใช้เวลายสักหลายปีอย่าประมาทตนเองอาจะปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ถันแล้วครับต้องพยายามอยู่ที่ไหนเข้าสำเนาดีนั่นนะค่ะครับแม่คือแม่ก็ดีใจค่ะที่เขาขึ้นมานสิสามนาทีได้ค่ะก็มีวันหนึ่งเขาก็มีวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขานั่งตอนแรกเขานั่งไปแค่สี่วันนะค่ะเราก็เลยบอกว่าเออแบบปกติคืออย่างน้อยแอดลิสต้องมีหกวันเนาะมันก็ต้องชดเชยอ่ะเขาก็เขาก็ อมีวันล่าสุดโทก็นั่งชดเชยไปสองรอบครัอาจารย์อืคือต้องนั่งให้ได้แบบแอดลี่อย่างน้อยหกวันนะคะดีะนั่งยิ่งมาเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีมันจะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นอืค่ะาประเด็นสําคัญไม่ใช่อยู่ที่การนั่งอยู่ที่การมีสติครับต้องมีสติเวลาที่เรานั่งต้องอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่านั่งใจลอย น่งใจราแล้ ว, ลวจะไม่เกิดผลค่ะก็ของส่วนของหนูอะค่ะพระอาจารย์หนูมีเรื่องอยากจะรบกวนสอบถามเพราะว่าคือว่าหนูเคยเรียนกับพระอาจารย์ว่าของหนูอะค่ะจะเป็นลักษณะทีะ่ของหนมันมันรีแอคเองเหรอทินใช่อัตโน ม, มัติละคือของหนูอะค่ะจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีมีโทรศัพท์ิตใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็เลยพยายามที่จะฝึกด้วยการ ขอโทษค่ะมันอัตโนมนะะัติค่ะดังนั้นขออนุ ญ, ญาตเอามือลงนะคะพระอาจารย์ระบบมันดีเทคยกมือะคะ่ะไม่เป็นไรตามสบายไม่ลำลุกค่ะคือว่าของหนูนะคะ่ะด้วยความที่หนูมักจะมีโทสะจริตใช่ไหมคะแล้วหนูก็พยายามจะเตือนตัวเองตรงนี้เราพระอาจารย์ก็เคยสอนว่าให้หมั่นเจริญเมตตาะคะ่ะหนูก็จะใช้วิธีเนี้ยมาตลอดซึ่งมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเหมือนหนูอยากจะก้าวข้าม จริตนิสัยตรงนี้ไปอะค่ะหนูก็เลยฝึกใช้วิธีว่าเหมือนกับเช้าตื่นขึ้นมาค่ะเหมือนเราตั้งเหมือนเราตั้งจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจกับตัวเองค่ะว่าเออวันนี้เราจะแบบพยายามลดละโทสะจริตให้ได้มากที่สุดนะคะพอสมมติว่าที่เราพอเราเกิดอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเออฉุนเฉียวขึ้นมาหรือเราไม่พอใจตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะหนูก็จะเหมือนรู้รู้รู้เร็วอะค่ะรู้รู้ปุกอนะคะ่ะก็พยายามจะใช้พุโทโธในการที่จะดับ ดับลงไปนะคะเหมือนหยุดให้ชั่วคราวก่อนนะคะทีนี้หนูก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าหนูใช้วิธีแบบเนี้ยเอถูกต้องไหมอะคะ่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนหนูคือหนูอยากจะก้าวข้ามเอไม่ใช่ก้าวข้ามเหมือนพยายามจะแก้ตรงตรงนี้ให้ได้อะคะ่ะอาจารย์ก็ไปแก้ที่ปลายเหตุก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆ <c oughs> ที่ถ้าต้องแก้ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธ <c oughs> ตอนนี้ของความโกรก็คือความจูจ้จี้จุกจิกของเราเนะี่แหละเร า, เราความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเขาทำอย่างนั้นอยากให้คนนี้ทำอย่างนี้ให้ตอนนี้อราเป็นที่ทำให้เราโกรธเวลาที่เราไม่ได้ตังใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมา <c oughs> ถ้าไม่อยากจะโกรธก็ฝึกยินดีตามมีตามเกิดไป ใครจะทำอะไรก็ทำไปใครจะพูดอะไรก็พูดไปอืมองทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปผนจะตกแดดจะออกก็ไปเขาตกไป uh huh. อย่างนั้นเราก็จะไม่กรธ uh huh. ถ้าเราคิดว่าถ้าเราแต่เรคิดว่าคนนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นนะคนนี้ต้องทำอย่างนี้นะพอเ็าไม่ทำตามที่เราคิดเขาเราก็จะโกรธเขาไขึ้อมา uh huh. so huh. ถ้าอยากจะแก้ความโกรธต้องไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่า ความอยา ก, ยากถ้าไม่มีความอยากมันก็จะไม่โกรธใคร<ะ>ใช่ไหหนูเป็นนิสัยจุ้จี้จุกจิกค่ะแต่ถ้ายังไปที่ต้นเหตุไม่ได้ก็ก็แก้ไปเหตุไปพอกดอกด็พุโทโธพูดโธยุง่ง<ะ>มันไปก็ไปให้ไฟไหม้แล้วก็เอทอน้ำมาดับมันอันนี้เราจะไปแก้ที่ต้นเหตุของของไฟว่าเราไป เราไปจุดไฟทิ้งไว้ถ้าเราไม่ไปจุดไฟทิ้งไว้มันก็จะไม่ไหมไฟของเร า, าคือความอยากของเราเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะหนูก็ยอมรับค่ะว่ามันเป็นที่ความอยากของเราว่าอยากให้มันเป็นให้มันดีอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะซึ่งพระอาจารย์เคยพูดกับหนูแล้วเหมือนว่าที่หนูบอกว่าหนูชอบอะไรมันแบบเหมือ น, แบบนคล้ายๆเป็น p e เ f e c t i o n i s t ค่ะแล้วพระอาจารย์สอน ว, ว่าให้เปลี่ยนจากความต้องการตรงเนี้มาเป็นให้ใจของเราเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านมีจิตใจที่เป็นแบบ perfectionist แบบเป็น perfectionist อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็พยายามพยายามที่จะแบบว่าปรับ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือว่าของเราต่อไปอะไรแบบเนี้ค่ะก็เลยดูว่าเออตรงนี้ยเราควรจะต้องรีบแก้ไขสะกอดอะไรแบบเนี้ยค่ะพาจาก็ดีอย่างน้อยก็ถ้ายัางแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้แก้ปลเหตุอย่าไปให้ลามปามขยายกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ใครกู้อะไรทํำไปแล้วไม่พอใจก็ให้อภยัยเข้าไปจบค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่มันก็ไม่ขยายวงกวา้ <Okay. S 2> างถ้าปล่อยให้มัน <c oughs> โกรธแล้วก็พยายามที่จะไปจัดการกับเขาก็ให้เหไป็นไปท า, ามทางต้องการของเราพอยิ่งทําไม่ได้ก็ยิง่งโกรธใหญ่ค่ะถ <Okay. S 2> ้าเกิดเขาตอบโตเราอ่าแล้วก็ยิ่งเขาเถียงกลับมาอยิ่ยงไปใหญ่ไ <Okay. S 2> ยิ่งใหญ่ค่ะ <Okay. S 2> ถ้าน้องทีมแล้วน้องทีมเถียงกลับมาเราก็จะกลัวก็เจะเถียงเลยไม่กล้าตอบเลยก็ไม่กลัวไม่สองคนนี้ไม่ค่อยกล้าโตกลับอันท่ก็จะตอกบตก็เหมือนว่าหนูคืนเวลาที่ทุกครั้งหนูเกิด คือเราเราจะมองเห็นนะคะมองเห็นขึ้นมาว่าอพอเราเริ่มมีความโทสะใจคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเรายังแก้ไม่ได้หนูก็จะนึกถึงพุโทโธแล้วก็หนูก็จะนึกถึงพระอาจารย์ตลอดนะคะไม่ว่าหนูจะทําอะไรที่อถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีเริ่มจะไม่ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็จะนึกถึงนึนึกถึง พระอาจารตลอดนะคะเพื่อให้เราสามารถสงบลงมาได้หรือว่าอะไรแบบนี้ยึดยึดเป็นจิตใจที่เหนี่ยวจิตใจของหนูอะค่ะแต่ว่าหนูก็จะเอาที่คือหนูจะนึกถึงเสมอที่ว่าอาจารย์สอนว่าเออจะต้องไปดับที่ความอยากของเราอะค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็ก็เลยคือมก็รู้อะค่ะแต่วมันก็ยังทําได้ยากอยู่อาา่ะค่ะกต้องฝึกไปเรื่อยๆก็เลยเจอพิการณ ค่ะจะพยายามเรื่อยๆค่ะจะพยายามต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาขงความอยากของพวกเราก็คือเกิดจากใจเราไม่มีความสุขเราก็เลยอยากให้สิ่งนั้นสินี้ให้ความสุขกับเรารเราก็ไม่ให้ความสุขกับเราเราก็โกรธกัาแต่ถ้าเราฝึกสตินั่าสมาธิจนใจเรามีความสุขเราก็จะไม่ค่อยอยากังได้และไรจากใครเราก็จะไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร ให้ม <No. S 2> ันฝึกสตินั่งสมาี่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด, ดีกว่าค่ะ <c oughs> แก้ปัญหาที่ใจไม่มีความสุขกันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีนุ่นมีนี่พอเปมีอะไรแล้วก็ต้องมีปัญหากับสิ่งที่เรามีทันทีค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณอาจารย์มากนะเจ้าค่ะที่เมตตาสั่งสอนนะคะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะถูกค่ะใครตายจะไม่ไม่อยากจะมองข้ามมันึงจะเป็นนะอาจารย์ผมไปไลยเอาจารย์พมไปไลยกลาวนกสกมพระอาจารย์ค่ะนุกุล อาจารย์สบายดีนะคะขอบคุณแ ม, ม่ ส, ส ก, การ์อาจารย์ครับตามปกติตามปติกตับมาเป็นปกติแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะก็เกือบเกือบเกือบเกือบเกือบเกบใช่ใช่แล้วครับอื่าไม่ถึงกไม่ถึงก็ไม<แ>ต้องไปหาหม อ, อวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับอ่านพ้นไปตัวยังยังต้ อ, อ ง, อองอไปหาหมออยู่เกือกหาอาจารย์ด้วยหาหมอด้วย ราใจาใรักษาใจว้าตอนทมัมนะเมื่เมื่ อ, อวันมันมาค้าบูชาพระเจ้ามีคนตักบาทเยอะมากเลยนะคะพันหนึ่งร้อยแปดสิบีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วพันสองร้อยห้าสิบโอแต่ว่าตอนฟังธรรมฟังธรรมเยอะมากเลยนะค ะ, ะที่น่ากฏิติประ 450. มาณสี่รอยห้าสิบค่ะรวมกันก็พันกว่าพันสอง ค่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะครับวันที่ยาวนานเช้าก็สองชั่วโมงกว่าแล้วช่วงดีที่ไม่ได้เดินมันก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยนั่งเฉยๆนั่งรถแต่นั่งนั่งเอียงอะค่ะถ้าต้องถ้าต้องเดินมันคงจะไม่ไหวเมื่อวานสองชั่วโมงครึ่งได้เลยนะเรื่อวสองชั่วโมงเปนได้มดาได้ได้ดูได้จาก y o u ูทูบมาสงสัยถูกต่อว่าเลยเลยดูได้เลย เบอดมาอ้าวได้ดูละแล้วตามอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เห็นท่าจะทำค่ะเพราะว่าคนกลับมาก็ก็เพื่อนก็สามีเพื่อนรักแลยเนาะคะ่ะก็ห<อ>ลับไปห ล, ลับห ล, ลับไปเฉยเฉยไม่ไม่ใช่สองคนทอีกอีกคนในแก๊งมีด้วยกันแปดคนไหมคะไม่ช่นี้ก็ไม่ยากโยสายบ้านก็จำเาบอกว่าลูกชายเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปอ๋อ ก็ไปกันเราต้องไปยังไม่มีใครรู้รู้คนที่ไปก่อนแม่ก็มีไปก่อนพ่อแม่ก็มีก็ต้องฝึกไม่มีไม่มีอะไรแน่นนต้องเตรียมตัวไว้ฝึกใจไว้พร้ที่จะไปนะตัวน่ะพร้องไฟเนี่ยใจต้องพรอมด้อแล้วห้ามมันมันไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ละห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ออืห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ด้วยการยอมยอมหยุดเย็น ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายหัวใจเรามันจะหยุดต่อต้านพอไม่ต่อต้านอ่ะใจก็จะเย็นสบายคือหยุดต่อต้านคือไม่ยอมนีไงไม่ยอมไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายก็ทุกข์กันมาไว่นะไม่นเราไม่ยอมลมันถูกบังคับให้ให้ต้องยอม ตอนนี้ยอมกันหมดแล้วค่ะทุกคนบอกรอตใบหน้าจะตกกับใครนออืนาะเพราะเพิพ่งคบคกันอยู่ก็อยู่เยอะทุกคนใช่ไหมคะเรีบ ส, สะสุมจำเยี่ยงไว้เอาอเอาธรรมะไปเอาทานสีมภาวนาไปสะสมค่ะเวลาน <ขอ S 1> ไม่มีของไครไม่ไม่แน่นอนนะคนแก่จะตายนลังคนคนหนุ่มสาวกัแล้วคนหนุ่มสาวจะตายที่หลังก็ได้ไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่นอนคือต้องไปกันด้วยกันทุกคนโอเคยัง okay. โตไหมนะยึงโตค่ะเราก็ปล่อยวางกันไปเรื่อยๆค่ะขอคนแก่ไปก่อนเราเป็นนะคะอืมถ้าขอได้กันดีแต่ อ, อย่าขอว่าอย่าขอไม่ต้องไปเลยดีกว่าไม่ไดีก่า <c oughs> ไม่ไม่เอ า, าอไปได้พร้อมพร้อมพร้อมไปทามาเยอะแล้วค่ะค่โอเคการมาตรการ คุณจิ๊บต่อไหมแม่ขับรถอยู่เหรอไ้ไหนพระอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะพอดีโยมขับรถชัดเจนรักษาทุค่ะโยมกำลังขับรถไปทำงานค่ะพระอาจารย์ก็ก็รีบๆออกไปก่อนเพราะว่ากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้แปดมงครึ่งตอนเช้าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเดือนเอพิลเดือนหน้าเขาน่าจะเปลี่ยนเวลาเร็วขึ้นชใช่ค่ะใช่แค่ของพระอาจารย์สองทุมครึ่งใช่ค่ะของโยมก็จะเป็น9ก้าโมงครึ่งก็จะดีหน่อยค่ะดีสำหรับพวกโยมกับสลินทอนเพราะว่าถ้ามันนเวลามันเราก็จะแบบมีเวลาทำอะไรเตรียมอะไรเรียบร้อยก่อนที่จะมาสนทนากับพระอาจารย์ก่อนจะเข้ากลุ่มอะค่ะ เอาว่าช่วงช้ายองบาเข้าไม่กันว่าต้องไปหงลูกสาวไปโรงเขโรงเรียนเอาเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะบางทีกว่าจะกลับขับส่งเขาเสร็จแล้วก็แบบเอ้าลืมไปเลยอ้าวพนึกขึ้นได้โอ้ะแปดมงกว่าแล้วไม่ทันแน่เลยค่ะอาจารย์ก็เลยบางทีก็ต้องบอกสลินทอนนะคะแต่วันนี้สลินทอนไม่ได้เข้านะคะพระอาจารย์พระอาจารย์เขาฝากอาจารย์ด้วยเพราะว่าเจ้านายเขามาจากอ่าคอนเนตทิคัตนะคะ เขาก็เลยต้องไปเข้าออฟฟิศเขาก็ไม่สะดวกเข้ามาคุยด้วยอะคะ่ะนิยมก็เลยกับเขาก็เลยฝากยงกับอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ยมก็พอเห็นสงครามที่แบบประเทศเราไปแบบแบบแบบที่แต่ละประเทศโดนหรือว่าเราไปทําเขาเขาทํากันไปกันมามันก็แบบมันก็โปร่งไปเรื่อยๆอะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้คนหนุ่มสาวอาจจะไปก่อนคนแก่ก็ได้คนแก่ไปก่อนมันก็ไม่แน่ไม่นอนจริงๆอะคะ่ะอืม มันก็ทําให้เราแบบไม่อยาก okay, อะไรแล้วอะคะ่ะ <Okay, S 1> ตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยากเหมือนจริงๆอะค่ะพระเจ้าแม่ละมันเกิดความทุกข์มันเกิดจากความอยากจริงๆอะคะ่ะส hmm. งครามมันก็เกิดจากความอยากผู้นําอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ hmm. มันก็คือคนมนุษย์นะคะตแบบใดที่มันยังเป็นมันมันเกิดอยู่มันก็ต้องมีความอยาก โยมก็เลยเห็นว่าสัจธรรมว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะอะไรเงี้ยค่ะพอเราคิดแบบนี้แล้วช่วงหลังๆเหมือนกับพอโยมนั่งสมาธิแบบกับค่ะจะเข้าสมาธิใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามองลมหายใจแบบนั่งนิ่งๆแล้วให้ลองสังเกตลมหายใจอ่ะมันเหมือนจะสังเกตได้ดีกว่าปกติอะค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งในการทําสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใช่พุโทโธแล้วเรามาลองสังเกตลมหายใจทางจมูกเร า, าใช้แทนกันได้ ค่ะก็คืออยู่ถ้าสังเกตไปถ้ามันหายไปก็ก็นิ่งๆก็พูดโทรไปติไปได้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้านิ่งๆก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ให้มันนิ่งพอไม่นิ่งก็ไม่ต้องทําอะไรอ๋อค่ะคือถ้าถ้าเราลบให้รู้เฉยๆไปนิ่งนะคะค่ะก็ก็จะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ขอขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่แบบเมตตาสั่งสอนพวกเราแล้วก็ ให้เวลาญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ได้ได้สนทนากับพระอาจารย์นะคะโยงก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามได้เข้ามาทุกอาทิตย์นะคะพระอาจารย์สาธุขอประ อ, อะาจารย์ทัานสาธมนุกันสาธมนุกใช่ค่ะค่ะข อ, อไไขอบพระคุณพระอาจารย์จริงๆค่ะที่เปิดโอกาสแล้วให้พวกเราได้สะสมแล้วก็สนทนาธรามก็เป็นการสะสมบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนกับมากล่าเกลาวสติสาธมนุัญญา ค่ะค่ะขอพระคุณนะคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะสาธุครั้งคุณตายเชิญตายตอนนี้กลับถึงบ้านั่นวเลยน้องกลับนิมมสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์ยังอยู่ที่ร้านใหม่อยู่แล้วยังทําที่ร้านใหม่อยู่เลยไม่ค่ะก็กลับมาที่นาเกลือแล้วค่ะพระอาจารย์ออันนั้นก็ทิ้งให้ลูกเขาทํานะคะ อ่าเาทำอันเองแล้วนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องออกไปได้ไม่ไม่ต้องไปแล้วค่ะพระอาจารย์อยู่ที่นาเตลอดใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้เดินทางไม่ต้องเดินทางค่ะจะไปเฝ้าก็ตอนที่เขาไม่อยู่แค่นั้นเองค่ะพระอาจารย์อืถ้าเขาไปไหนแล้วก็ไปแทนไปเฝ้าแทนอืมแต่ก็มาอยู่ร้านนี้ก็ยุ่งเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มีเรื่องให้ปวดหัวตลอดแต่ก็ แต่ก็พอจะออกไปได้บ้างก็พยายามอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปก่าผ้าจารย์เพราะว่าโยมกำลังจะทำข้างในร้านใหม่แล้วก็ช่างเขาขอเข้าทำวันอาทิตย์โยมก็เลยอ่ะก็ได้มันมั น, ม, นมันหยุดแค่วันเดียวเขาก็สะดวกเขาเราก็สะดวกเราเพราะว่าไม่มีลูกค้าก็เลยว่าเออสักสองสามอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จแล้วค่ะผ้ า, าจานอ่าก็ทาไปเรื่องของเราก็อย่างเงี้ยทไปมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไป ค่ะก็ยุ่งวุ่นวายอยู่นิดหน่อยช่วงนี้แต่ก็พยายามอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรกับพระอาจารย์แต่ก็พยายามนะคะตอนวันอาทิตย์ก็นั่งฟังพระอาจารย์แล้วก็ได้นั่งสมาธิที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเขาทําในร้านเราก็เข้ามาในบ้านก็ต้องเงียบของเราไปก็ทําไปอยู่กระแสงธรรมพระอาจารย์ก็จะดีดีกว่าค่ะ ยายามรักษาสิ้นไปอย่างน้อยค่ะยอมก็ได้แค่สิ้นหน้าตอนนี้ก็ไม่ครบเจ็ดแปดก็ไม่ได้แต่ห้านี่ก็ไม่หลุดค่ะค่ะพระอาจารย์กลับค่ะพรคุณค่ะสาธุค่ะอ่าไปที่คุณจารกาไปรักษาสี้กี่ข้อห้าข้อค่ะห้าข้อเหมือนกันนะค่ะสึ้นแแน้วเลยเลย ค่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะใเขาไม่เอาเรากำลังอยู่เราก็ลองถามเขาาอ๋อไม่ไม่ปกติก็ต่างคนต่างเตียงคนละเตียนอยู่แล้วอะค่ะพัจอัก่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในห้องด้วยกันเพราะว่าก็จะอยู่แค่เนี้ยค่ะที่ไม่แย่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพัจจัก่ะค่ะอ่าคุณผู้เป้ ก, นนการนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เพระาะฉะนั้นค่ะ ข, ของหนูก็ลุยปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฟังเทศพระอาจารย์ที่ขับเท้าทุกวันตอนบ่ายสองค่ะพระอาจารย์พอดีหนูเห็นของดีทางใจพระอาจารย์ทําให้หนูมีแรงเยอะมากจากการฟังธรรมมหาพระอาจารย์อแล้วก็หนูก็ลุยทํางานพระอาจารย์เพราะว่าประเด็นคือเป็นสะพานบุญที่โรงพยาบาล น, นะคะเพราะว่าประเด็นคือ ไม่พระที่สูงส่งอาพาธที่ท่านมารักษาโรงพยาบาลส่งท่านไม่ร้องขอใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์คอหนูมีแรงเยอะหนูก็ไปดูพระอาพาธเลยค่ะไปแบบพิจารณาว่าดูตั้งแต่รองเช้าค่ะพระอาจารย์ก็ท่านมีปัญหาอะไรเพราะว่าท่านไม่ร้องของเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูเห็นญาติโยมมาทําบุญโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็นําของมาถวายท่านเลยเพราะท่านไม่ร้องขอค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบ ทำ ง, งานเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามีพลังทางจากเพราะว่าได้อาหารทางใจพระอาจารย์ต้องฟังธรรมทุกทุกวันคะ่ะพระอาจารย์ตอนบ่ายสองคะ่ะ<ม>แล้วก็ได้ของดีจากพระอาจารย์ทําให้มีสติแล้วก็เวลาเดินก็ได้พิจารณาตัวเองนะคะแล้วก็แล้วก็<ม>วกดูแล้วก็ตอบกิเลสได้ง่ายเพราะว่าจากการฟังธรรมจากพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็มาดูปัญหาของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ ที่จรณาตัวเองลเล็กๆก็เลยเฉยๆกับร่างกายพระอาจารย์ถึงร่างกายพังอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนมองว่าหนุผาสมองเยอะไงคะ่ะอาจารย์เขาเลยไม่อยากให้ทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกว่ามีปัญหาตามมาเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะแต่หนูได้ของดีทางใจมันทําให้มีแรงเยอะมากเลยพระอาจานก็เลยเฉยๆกับร่างกายคะ่ะผาจา์กา็อย่าหักโหมจนเกินไปนะร่างกายมันก็ต้องเจ้าผาผาจานเหมือนเหมือนเป็นนักกีฬาออกกําลังกายเลยคะ่ะอาจาย์ <c oughs> ถ้าเป็นประโยชน์ก็ทําไปถ้าเริ่มเกับท้อกันมาก็ต้องปรับปรับลดลหน่อยให้มันพอประมาณกับกําลังของร่างกายเจ้าขาพระอาจารย์ขาสารเตอร์มทนาอคุณอุษาแต่เราที่ว่านมันการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงตัดผมท่านแล้วเหรอ ใช่ค่ะดูสาวขึ้นนั้นเนี่ยสังเกต ด, ดูอะไรนะคะดูสาวขึ้นโอ้โสาทุกขาอาจารย์ <c oughs> แต่ลำคาญมันมากเลยมันลุยล่ายขาอาจารย์อืมดีตาอันี้สบายเนะเหมือนเด็กเดเหมือนเด็กนักเรียนแ ต, แต่มันมันง่ายนะคะอาจารย์พอสระผมเสร็จก็เอาขอโทษค่ะเอามือเซยเสร็จไม่ต้องหวีผมแล้วค่ะก็ไปได้เลยง่ายกว่าเดิมสบายจะโกนอะไรก็ได้ คงจะแค่ตัดสั้นขึ้นมั้งค่ะอาจารย์คงคงจะตัดสั้นขึ้นแหะค่ะเพราะแบบมันแบ บ, แบบทหารก็แล้วกันแบบทหารตำรวจับประมาณนั้นน่าจะได้อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวันมาคารบูชาที่ผ่านมานะคะโยมไปช่วยงานที่วัดสายสุวนรณรามที่สุขีรินค่ะบนเขายมช่วยงานวัดนี้มาตนานแล้วค่ะอาจารย์แล้วแต่ยังเป็นที่พักสงแล้วก็ท่านเจ้าวาเคยให้โยมไปขอพอรพระอาจารย์ที่บนเขาตอนโน้นนะคะว่าข อ, อให้ แต่ตั้งวัดได้สาเร็จโยมก็ช่วยจนกระทั่งตอนนี้เป็นวัดมาสองปีแล้วคะ่ะเป็นเป็นวัดเต็มตัวแล้วคะ่ะแล้วก็พอเมื่อวันมาคัดนี้เขาก็จัดปฏิบัติทําให้กับญาติโยมที่อําเภอสุขีลินค่ะโยมก็ไปช่วยพระอาจารย์เขาท่านค่ะแต่ว่าโยมก็ไม่ลืมคําของอาจารย์นะคะว่าอย่าอย่าดูคนอื่นจนกระทั่งลืมดูตัวเองนะคะอาจารงโยมกยม็ยังไม่ยังไม่ทิ้งหน้าที่ตัวเองคะ่ะหน้าที่โยมไปอยู่ที่นั่นก็คือไปถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็ อหาดูแลเรื่องที่พักของโยมผู้หญิงค่ะแล้วก็ทําอาหารช่วยแม่ครัวเขาอะค่ะแล้วก็สิ่งที่โยมเจอนะคะจาย์ว่าจากเมื่อก่อนโยมเป็นคนกลัวมากใช่ไหมคะที่วัดนั้นจะเป็นที่โล่งแจ้งแล้วก็อยู่บนเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมมาเก็บภาพตอนเที่ยงคืนตอนที่น้องๆเขานอนในเต็นท์แล้วก็เดินจงกรมโยมไม่ได้กลัวไม่มีความกลัวอยู่ตรงนั้นค่ะจารย์มันเฮ้ยเราไม่กลัวหรอเมื่อก่อนโยมกลัวนะคะจากจะไปที่พักจะไปห้องน้ำโยมยังกลัวตอนนี้โยม โยมเดินขายภาพเก็บภาพตอนกลางคืนรู้สึกไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยในตรงนั้นค่ะไม่มีความกลัวอยู่ตรงนั้นเลยค่ะพอยมเก็บภาพ <c oughs> ค่ะมันมันเฮ้ยถ่ายภาพได้กลางคืนเดินเหมือนเราเดินเก็บภาพธรรมดาเลยค่ะอาจารย์ที่นั่นกลางคืนจะสวยอารมณ์มรีสอร์ตอย่างเงี้ยค่ะพอยมเก็บภาพเสร็จโยมก็มาเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาของตัวเองไปประมาณเกือบตีหนึ่งกับตีสองนะคะแล้วโยมก็ถึงมานอนค่ะอาจารย์แล้วก็ นั่งภาวนาเจอว่าจากการนั่งภาวนาเนี่ยค่ะอาจารย์พอนั่งปุ๊บใช่ไหมคะคนรอบข้างยมจะหายไปหมดแบบยมจะใช้วิธีการเนี้ค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเหลือแต่แค่รู้อย่างเดียวตัวเราก็ไม่มีแค่รู้แล้วก็มันจะนิ่งลึกไปอาการที่โยมเคยบอกอาจารย์ว่าพอนั่งไปแล้วมันมันเหมือนเราจะถอนตัวขึ้นมาช้านิดนึงประมาณนั้นค่ะอาจารย์มันมันจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ให้มันสงบให้มันตั้งมันให้นิ่งเฉยใช่ค่ะมัน แต่เราไม่ได้เครเครียดแบบเมื่อก่อนนะคะแค่มานั่งนิ่งๆไอสิ่งสักได้ยินเสียงอยู่ก็ปล่อยให้มันได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแต่มันก็จะนิ่งลงไปด้วยมันลึกๆ ล, ล, ลงไปเรื่อยๆค่ะพอจะขายขาเยอะอะไรนะคะไม่รู้เบขาเยอะค่ะค่ะมันจะปนั่นแล้วก็พอจะถอนก็คือมันก็ต้องรอให้เขาถอนขึ้นมาเองค่ะจาย์มันมันรู้สึกมัน มันไม่ได้เป็นอย่างเมื่อก่อนค่ะอาจารย์มันมีพัฒนาการที่ยมรู้สึกว่ายมแย่จังเลยยมไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแต่พอจริงๆแล้วเราเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะอาจารย์แล้วก็การใช้ชีวิตหนึ่งจริงๆอ่ะการเก็บภาพทุกอย่างตอนนั้นเราไม่มีอารมณ์เลยเราทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์มันมันมันมันรู้สึกว่าเออนะมันมาเปลี่ยนตัวเราไปเยอะเลยค่ะอาจารย์เนีค่ะ แล้วก็ยมยมเห็นน้องๆที่เขาเดินจงกรมประมาณเที่ยงคืนกับที่หนึ่งยังมีคนเดินจงกรมอยู่ยมก็ไปเก็บเก็บภาพตอนนั้นนะเที่ยงคืนแล้วค่ะเขาเดินจงกรมอยู่ยมก็เก็บเก็บภาพเอาไว้ยมก็รู้สึกว่าโยมโชคดีกว่าเขาโยมที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์มีพระอาจารย์สอนแล้วยมดูว่าถ้าเขาได้เจอคนที่สอนเขาเขาก็จะน่าจะดีกว่านี้โยมก็ถามว่า โยมตอนเจอตอนช้าตอนหัวลุ่งของวันที่สใช่ไหมคะโยมถามว่าน้องหรือเปล่าที่เดินอยู่เขาบอกใช่เขาเดินจงกรมถึงตีสามบอกโอ้โหดีจังเลยดูโยมนึกว่ายมดึกที่สุดแล้วใช่ไหมคะโยมถามว่าไปหัดมาจากไหนเขาบอกว่าสามีเขาสอนโยมก็มองหน้าเขาบอกว่าสามีทําให้เขาทุกข์ขาจย์สามีทําให้เขาทุกข์แล้วยมมาเขามาฟังทำเขารู้ว่าวิธีการแบบนี้เขาก็เลยลองเดินเขาเดินรอบเขาที่วัดนะคะโยมโยมอโอ้โหถ้าเขาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆเขาคงจะไปได้ไกลกว่านี้อาจารย์ วัฒนาของโยมโ ย, ยมไม่ได้ชมนะคะโยมถือว่าโยมมีวัสนาที่โยมได้มาเจออาจารย์แล้วก็ฟังธรรมของอาจารย์ในเรื่องของการสร้างบา ร, รมีโยมก็พยายามเก็บมันทุกเมตไถจารย์อืวิธีทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหตุร่ไม่ควรที่จะเอาทางของเราวิธีของเราไปยัดเยียดใหกับผู้อื่นเขาไม่ค่ะโยมโยมไม่โยมไม่ได้ออกตัวเลยนะคะโยมแค่ฟังเขาเฉยโย ม, มไม่ได้อะไรทั้งสิน้น ยมฟังแล้วยมก็นำมาคิดอเองโอ้เราโชคดีจังเลยที่เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วโอกาสได้แล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวเองที่ว่าเดินถ่ายภาพกลางคืนโดยที่ไม่ไม่กลัวอะไรเมื่อก่อนขนาดจากที่พักจะไปห้องน้ำํำยมยังกลัวนะคะต้องไปสองคนตอนนี้ยมเดินคนเดียวลงไปข้างล่างคนเดียวขับรถไปลานจอดรถคนเดียวได้ค่ะอาจารย์สุดนะว่ามีความเบก้ามมากค่ะความกลัวมันไม่ใช่มันหายไปทีเดียวนะคะมันมีเว็บ มาหลอกเราแต่บอกเรากําลังโดนหลอกแล้วก็มีสติกับมันค่ะอาจารย์แล้วก็อได้แบบมันรู้สึกดีค่ะอาจารย์เนีการไปฝึกบุญต่อมันก็ช่วยให้เราอาหารมากขึ้นค่ะรู้สึกโอยมโชคดีค่ะอาจารย์ยงยงกับเพราะว่าคุณอาจารย์นะคะแล้วก็การที่ได้มาสนทนาธรรมเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทําให้เราไ ด, ได้ได้พัฒนานําข้อสอนคสอนผมว่าอาจารย์ที่มีต่อน้องๆคนอื่นเอามาใช้ได้ค่ะ ปรับใช้การฟังธรรมของอาจารย์การฟังธรรมเราก็เอามาปรับใช้แต่การสนทนาธรรมมันคือการแก้โจทย์บางอย่างอะคะ่ะอาจารย์อืยงกับขอพุทธุนอาจารย์นะคะตทูตาทาูขอให้เริญยิงย่งยขึ้นไปนะตาทกค่ ะ, ะคุณปุ้ยรักสมบูรณ์ภาพเก่าไม่ไม่เปลี่ยนภาพบ้างเลยภาพนี้เลย ภาพภ า, ภาพลักษงหลังค่ะอ่าเป็นภาพอะไรเป็นสะพานร้อยปีมากกว่าร้อยปีของลัสเบิร์กค่ะเอเขาได้รถวิงง่งอยู่บ่ะรถวิ่งใช้ให้รถวิ่งได้ไหมได้ไงได้ไงยังใช้งานาได้ไหสะพานเชื่อมเชื่อมระหว่างตัวตัวกาตัวสถานีรถไฟกับเมืองอะ่ะเขาเรียกว่าเมืองเมืองเก่ากับเมืองใหม่อะค่ะอ ไม่ใชไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามแม่นม้ำนสะพานไม่ได้ข้ามแม่นม้ํำขํามแม่น้ำข้าม่ําม่ําจากเมือง อ, อีกเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเพราะ ว, าว่าเมืองทางการเนี่ยมันจะเป็นอย่างโยมเนี่ยอยู่อยู่เขตก า, ก, ก, าก็คืออยู่เมืองใหม่อยู่เมืองใหม่แล้วทีนี้เมืองเก่ามันจะเป็นพระราชวังและไอเมืองเก่าเนี่ยเมืองใหม่เนี่ยมันจะมีไอพวกกิจการของมันก็คือตัวกิจการของบ้านเราก็คือว่ากาาิจการธนาคารนะคะนะคะโยม มันมันจะข้ามแบบข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสวนเหมือนกับเราอยู่ข้างบนและเป็นตัวข้างล่างของเมืองเนี่ยมันจะเป็นสวนเป็นสวนสาธารณะที่เขาทำให้มันใหญ่มากๆเลยสวยค่ะอฮาดีใชมีอะไรไมคะเ น, นี่ยเอโยมไม่มีอะไรโยมเพียงแต่ว่ากลับมากรับขอพระคุณพระอาจารย์มารายงานตัวแล้วก็โยมก็มีปัญหานิดหน่อยโยมคิดว่า โยมว่าสิตโยมปรุงแต่งไปเองคือคือไม่มันมันไม่ได้เหมือนกับผีหลอกหรอกนะเหมือนกับผีมาขอบคุณเราอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมอ่ะมีวันตรงกับวันตายของอแม่สามีเก่าของโยมอะและ้วโยมก็เลยเอาดอกไม้ไปที่สุสานแล้วพอดีตรงกับวันโกนพอดีเลยคือโยมต้องไปก่อนหนึ่งวันเพราะเขาเขาเสียวันที่สามทีนี้โยมก็ บ้านเราก็าทำอย่างนี้เราก็ไม่รู้ศาสนาเขาเราก็เอาไปใส่ในโบสถ์ให้เขาแล้วก็เอาไปวางไว้ศึกษานให้เขาก็บอกกับเขาเหมือนกับกับเราพูดกับพระอาจารย์นี่แหละนะพอพอวันเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวมันวันโกนพอยมกลับมายมรู้สึกเอ๊ะเป็นอะไรไม่มีแรงเลยยมก็นอนหลับไปเลยยมจะนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆยมก็หลับไปเลยหลับคาสมาธิไปเลยอะ่ะนะเมื่อวานเนี้ยยมฝันอ่ะเป็นวันพระและยมก็ฝันว่า อยู่ๆยมก็นอนหลับไปตอนตอนกลางวันนะคะยมนั่งสมาธิแล้วโยมก็หลับไปแล้วโยมก็เห็นเขาอะมามาในฝันมาบอกกับโยมมาขอบคุณโยมอะยมไม่รู้ว่าเจิโยมปรุงแต่งไปเองหรือว่าอะไรนะคะอาจารย์อือเขาอาจจะได้รับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เขาเป็นคนดีดีมากๆเป็นคนแก่ที่ดีมากๆเลยค่ะโอเคดีมีอะไรไหม ไม่มีค่ะพระอาจารย์โย ม, มาเอ่อมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็โยมครั้งเนี้โยมปฏิบัติธรรมแต่ว่าเอ่อคือถ้าให้โยมวัดตัวโยมเองคือมันไม่ดีเท่าสัปดาห์ที่แล้วคือมันสติโยมมันยังไม่ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันขึ้ น, น, นลงล ง, ลงมันขึ้นขึ้นลงบันไหนสติ ด, ดีมันก็ดีขึ้นวันไหน<ง>สติไม่ดีมันก็ลดลงไป ก็มไม่มีอะไรให้คิดนะพระอาจารย์แต่ทําไมแบบบางวันโยมก็เหมือนเดียวกับโอ้โหกระตือรือร้นมากเลยบางวันโยมก็รู้สึกมันเหมือนกับสติมันมันไม่มั น, ไ ม, มน ไ, มไม่ตั้งส ต, ติแล้วไม่ตั้งสติเองไม่ตั้งสติเอยเลยอืมคาะขันยมจะตั้งสติใหม่เอาใหม่คะ่ะแต่ก็สวดมนต์ทุกวันค่ะเพราะว่ายมจํำท่านพระอาจารย์ได้ว่า ถ้าเกิดว่าวันไหนเราสติไม่มั่นคงให้เราเ อ, อสวดมนต์โยมก็เช้าเย็นเช้าเย็นสวดมนต์ได้เพราะโยมกลัวโยมตัามพระอาจา ร, าราย์ไม่ชันโยมโยมไม่ได้เข้าพระนิพพานกับพระา <laughs> อาจารย์โยมก็เลยแบบต้องกระตือรือร้นหน่อยก็พยายามเต็มที่พยายามให้เต็มที่ อ่ะยมพยายามแบบบอกแล้วว่ายมตั้งจิตอธิษฐานแล้วถ้าวันไหนยมจะเกเรยมจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราก็ยมก็ใช้วิชาในการเตือนตัวเองว่าสัจจะเป็นสิ่งสําคัญ <Okay. S 2> ถ้าเราตั้งแล้วเราต้องทําต่อให้เกเรยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำํำยมก็จะตัวเองอย่างนี้และค่ะอ่าโอเคคอ้พยายามทำ<ย> ไ, ไปเรื่อยๆนะ ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงโยมเป็นคนมีบุญโยมได้เจอพระอาจารย์โยมโยมจะขอให้พระอาจารย์ช่วยโยมด้วยให้โยมมีสติให้เดินทางทาได้ตลอดรถฝั่งนะพระอาจารย์จ้าให้สุขใหเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะบ่ายดีคุณจุ๊ต้าโกเบ นมัดการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ยงไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่อยางรู้รู้หมดแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้รู้หมดหรอกค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเพียนไปตามเท่าที่จะทําได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ไม่สงสัยไม่อยากจะรู้อะไรแล้วนะหนูก็คือหนูปฏิบัติมันยังไม่ถึงขั้นที่ที่จะมีคําถามมาถามพระอาจารย์นะคะออบางทีหนูก็มีความคิด น, นะคะเอ๊ะทาไม เราไม่มีคําเราทําไมถึงถึงไม่คือช่วงเวลาที่มีพระอาจารย์อยู่เนี่ยหนูพยายามอยากจะใช้ให้มันให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะ่ะพระอาจารย์แต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาถามได้ณตอนนี้อ่ะคะ่ะพระอาจารย์อืบางทีก็รู้สึกไม่มีทางพอดีค่ะอืะอมอ่าว่า ถ้า ม, มีคำถามแล้วก็ไม่ต้องถามคำตอบให้เสียเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคพยายามรักษาใจสงบแนละ้วไม่จะไม่ถามอะไรกับใครนะเอาความสงบอย่างเดียวดีที่สุดความสุขเหนือความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเอได้ความสงบแล้วพอใจยังขีดพอไม่อยากจะรู้อะไรแลนะ้วรู้ไปก็ตอนนั้น รู้ไปก็ไม่ได้ทำให้เราสม บ, บมากกว่า น, นี้โอเคดีพยายามทำสติน่าสมาธิอยู่กันแล้วกันนะสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วปัญญาถามอย่างสติสมาธิปัญญาสามเกลอนี้ต้องอย่าให้อย่าให้หายไปจากใจเรา เ, เหมือนเีเหมือน เหมือนพุทธพุทธรรมประสงค์เ็สีนสมาธิปัญญ า, า, า, ถ, ญญาถ้ามันสติสมาธิปัญญาโอเคถ้ามันมีก็ไปต่อนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณยินดีอี่มาหมดหรือยังวันนี้มานิดนิดค่ะพอาจารย์วันนี้ยังมาอยู่นะ <laughs> แล้วพวกที่เป็นน้องแข็งบอบลายหมดหรือยัง ยังค่ะท่านอาจารย์แ <resolver> ต่ละลายก็ลลายไปคู่แล้วค่ะท่านอาจารย์แต่ยังเหลือเพิ่มแต่ถนนนี่ลรัมน้องถนนนี่น่องเหมือนมากไหมถนนเขาจะที่นี่เขาดูแลอย่างดีค่ะท่านอาจารย์เรื่องถนนหนทางค่ะโดยเฉพาะเป็นรถเนี่ยเขาจะแบบเขาจะเคลียรให้อย่างดีเลยค่ะท่านอาจารย์ทางเข้าบ้านเราเนี่ยทางเข้าบ้านเราก็เคลียร์หมดแล้วแอ่ถนนมาทําองไหนเนี่ยไปทางเข้าบ้านเราถ้า ทางเข้าบ้านตรงหน้าโรงจอดรถเราทําเราเองค่ะแต่มาคราวนี้ลูกก็ไม่ทราบว่าเขามีคอนแทคใหม่หรือยังไงกับเจ้าของมาคราวนี้เจ้าของเขาทําให้ค่ะท่านอาจารย์ก่อนที่มาลงค่ะลงมาเยอะๆหนูก็คิดว่าเขาไม่ทําเอาเวลาลงเยอะๆเนี่ยเขาจะมาทําให้ค่ะท่านอาจารย์แต่ถ้าเกิดแบบลงนิดๆหน้าเซ็งหรือสุที่เราทำเองแล้ไม่นำไปตัดเองค่ ะ, คะ แต่ถ้าเกิดแบบเยอะๆหนาๆเงี้ยค่ะเขาจะมาแบบทําให้ค่ะท่านอาจารย์ตรงหน้าแม้กระทั่งหน้าลรงจอดรถเขาเกลี่ยให้ค่ะมาปีนี้ค่ะท่าอาจารย์ค่ะก็โชคดีค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะค่ะท่านอาจารย์ก็ฟังพร้อมกับเพื่อนๆกัลยารมิตรทุกๆท่านนะคะท่านอาจารย์ก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บว่าซ่งเต็กก็ขอให้ร่างกายสุขภาพท่านอาจารย์แข็งแรงอยู่กับ หลานานานๆคะ่ะท่านจ้าขอบอกพม่าสิบอกกูค่ะขอบอกคุณท่านจารย์อย่างสูงคะ่ะท่านจารย <Okay. S 2> ์โอเคาคุณอรอนอันอเช่นไปอยู่ป่ามาเลยเห็นปีนป่ารอบ <c oughs> ป่าจริงไม่ได้ไปเลยต้องเปลี่ยนแบ็คกราว <c oughs> <c oughs> ไม่ดูเค้งคะ <c oughs> แล้วไมดูแข้งเขมดต่ไม่ดูเคร่งค่ะพระอาจารย์งั้นเอาแบ็กกราวให้ดูเคร่งไว้ก่อนค่ะพระอจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะซึ่งกลับมาจากเมืองจีนค่ะพระอาจารย์อก็จริงๆก็มีโอกาสได้ว่าจะเออเมืองเล่าสัน่อยได้ค่พะพอดีว่าไปไปแบบเพื่อนชนไปก็อไปกับเขาหน่อยไม่ได้เต็มตัวเลยเลยพระเจ้าว่าเขาไปเมือง เลียกแชงกรีล่า <la> มันเป็นที่ราบสูงอ่ะพ่อจารย์คือยมไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่ราบสูงเลยเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าอาการแพ้ที่ราบสูงก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเวลาบางคนเขาขึ้นไปอยู่ในระดับที่มันสูงขึ้นมามากอย่างที่มือนี้เขาอยู่ที่ 3,000 เมตรสูงจากระดับน้ําทะเลบางคนจะมีอาการเพราะออกซิเจนมันบางลงใช่ไห ใช่ค่ะอันนี้โยมไปกับสามีก็โยมแบบไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันจะต้องมีสติจริงๆเพราะว่าเมันเราจะเคลื่อนไหวปกติไม่ได้ mm hmm. ถ้าเราทำอะไรเร็วอะ่ะมันจะหน้ามึด mm hmm. ใช่ไหมเพราะใช่เพราะว่าอากาศมันออกซิเจนมันบางอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าตัวสามีเนี่ยจะเป็นมากเพราะว่าอาการแท้มันคือจะปวดหัวหายใจลำบากเนี้ยคือต้องบอกว่าที่เรา ได้มีโอากาสฝึกภาวนาเนี่ยบางทีมันต้องออกมาใช้จริงๆเพาะฉะนมันก็เราจะฟุ้งซ่านไม่ได้หลยไม่ไงั้นมันจะปรุงไปหมดเลยว่าจะขาดใจจะตายเอาอะไรอย่างเงี้ยเหมันเราก็ <c oughs> มีสติต้องมีสติัญญาว่าเดินเขาบอกแล้วว่าเราต้องเดินช้าทําอะไรช้าเพราะว่าเราอ่ะขึ้นที่สูงอยู่สองวันวันนี้สามพันเมตรและอีกวันหนึ่งอ่ะที่สี่พันห้าร้ยหกสิบไอ้สี่พันห้าร้อยเมตรซึ่งอากาศมันก็บางลงไปอีก เขามีออกซิเจนกระป๋องให้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะเตือนเสมอว่าเช่นเวลาเราลุกจากกระเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยห้ามทําปกตินะมันก็ว่าเราต้องค่อยๆเดินออกไปเมื่อนั้นมันจะแบบบืดไปได้เลใช่ค่ะอาจารย์มันก็เลยเหมือนเราก็เลยคิดโอ้บางทีไอ้สถานที่แบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสใช้สติมีสัมขพชัญญะมากจริงๆมันก็ทั่งว่าลมหายใจเราก็ต้องดูมันเพื่อว่า Hmm. เออเราจะได้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันมันเป็นแยกกันนะเราอยา่าถ้าเราปรุงเมื่อไหร่ว่าเราหายใช้ไม่ออกนะพัาจารย์มันจะเกิดอาการปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเลยบางคนนี่แบบจะเกิดแพนิคอะไรอย่างเงี้ยก็เลย hmm. เออโอมันก็เอามาใช้ได้อยู่คนะาจพรยจันบางคืนผมก็เลยเอพอตอนนั่งภาวนา เราก็จะเห็นลมหายใจชัดมากเพราะาตอนนั้นเราต้องมีสติมากกับการที่ว่าไม่ไปปรุงว่าตอนเนี้อากาศมันบางออกซิเจนเราเหลืออยู่แปดสิบอะไรอย่างเงี้ย เ, ออเพราะว่าเวลาวัดมันจะขึ้นว่ามันน้อยกว่าปกติแต่จริงๆคือถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่ได้แบบว่าเราช้าๆเนี่ยมันอยู่ได้แต่ว่ามันมีคนแพ้จริงๆค่ะแบบว่าแพ้แบบแพ้หนักเลยค่ะแบบว่าอย่างสามีพี่ผู้ชายเนี่ยแพ้หนักเพราะว่ามีหลายคนจะมีอาการเหมือนจะ ผืออืดผ อ, อมปวดหัวหนักมากหายใจลำบากยังมัดอองซีเจนหรือห้าสิบแบบประจันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าพอกลับลงมาคือพวกนี้กินยาพาราอะไรเงี้ยก็จะไม่หายเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความากด อ, อากาศนาะพอกลับลงมาที่ราบปกติทุกอย่างมันเหมือนหายไปหมดเลยอะไรเงี้ ย, ยก็เลยอ๋อมันมีอาการแบบนี้แล้วขณะที่ คนที่เขาอาศัยอยู่ในที่อย่างเงี้ยเราก็เลยได้ความรู้ว่าโอ้ยางคนที่เบตหรือคนที่เขาอยู่ที่ราบสูงอะปอดเขาจะใหญ่มากเพร า, าะฉะนั้นเพราะว่าเขาเขาเหมือนปรับตัวมาตั้งแต่เกิดนะใช่ค่ะอ่าฉ น, นั้นเวละเขาเหมือนออกเสียงหรือ ร้องอะไรเนี่ยเสียงเขาจะดังลากเสียงได้ยาวเพราะว่าปอดเขาอะแบบถูกสอนมาตั้งแต่เกิดให้อยู่กับสภาพอากาศแบบนี้จริงๆนะพจาร์ก็เล ย, เยก็เลยออเออก็ก็เก่งครับพัาร์เราเลยรู้สึกว่าอ๋อมันมีอาการแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องใช้ออกซิเจนกระป๋องในการแบบทำอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันมันอยู่ด้วยแบบ คือร่างกายเรามันไม่สามารถจะปรับได้เหมือนพวกเขาอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็เลยได้มีโอกาสใช้หลักภาวนามามาแบบเจริญสติเนอแล้วก็การเดินการทําอะไรต่างๆในช่วงที่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะพระอาจารย์ก็<ด>เลยได้ปฏิบัติทำไปด้วยใช่ค่ะจริงๆมันได้ปฏิบัติแบบเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเอออย่างน้อยการที่เราได้มีโอกาสเคยปฏิบัติมานํามันมาใช้ในในชีวิตอะหมายความว่าในการที่เราต้องใช้ชีวิต ตรงนั้นนะ่ะ hmm. ก็ดูมีประโยชน์ดีาช่ไหมจานจา์ก็เลยบอกก็ยังบอกทุกคนเลยว่าเนี่ยเออกลายเป็นว่าเราได้เจริญสติ ต้องแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าถ้าเราหลุดนิดเดียวไม่มีสติเราไปแบบทําหนึ่งอะไรแบี้เราล้มลงไปแน่ๆอะไรย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์าจะไปตั้งมาเทนนต์ทักวัดก็จะดีเหมือนกันนะน่าจะดีเพราะอาจย์มนี่เป็นเตรียมที่แบบฝึกฝึกการมีสติและมีสัมปชัญญะค่าพระอาจารย์ค่ะมันถูกบังคับให้บามีสติใช่ค่ะมันถูกบังคับจริงๆพระอาจารย์เพราะว่าโยมแบบรู้เลยว่าพอเราแค่ขยับ มันไม่ว่าจะทําอะไรลุกเดินอะไรทุกอย่างอ่ะต้องแบบบอกตัวเองเลยว่าเขาบอกไว้แล้วนะว่าเราจะต้องไปอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยต้องทํามันมันเลยต้องมีสติจริงๆไม่ ง, งั้นเราอ่ะจะล้มได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่อยู่ในภาวะไม่ปกติจริงๆแต่ว่าตั้งว่าลพอาจารย์ยอมว่าถ้าเราอยู่สักเดือนหนึ่งร่างกายมันอาจจะเก่งแล้วมันก็อาจจะอาจจะชินไปก็ได้นะคะพระอาจารย์อมันอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้ใช่ค่ะ อชะแล้วมันอาจจะกลับไปสู่ภาวะที่เราลืมตัวเหมือนเดิ ม, ม <laughs> แต่ ก, ก็ก็เนี้ยค่ะก็เ ล, เล่าให้ฟังนิดนึงแต่พี่ผู้ชายบอกว่าโอ้โหเขาหายใจไม่ออกลำบากต้องต้องกำหนดจริงๆต้องแบบมีสติแล้วก็เหมือนมีแบบปรุงมันไม่ใช่ปรุงมนคมเป็นภาวะที่หายใจลำบากอะดึงสติกลับมาแบบต้องคือจริงๆ อะไรเงี้ยเราก็ว่าเออมันมันนั่นจริงๆก็เลยบอกว่าเอาลับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผู้ชายคงไม่ต้องชวนไปอีกแล้วนะที่รับสูงเนี่ยอพอรู้แล้วว่าแพ้หนักมากอะไรเงี้ยค่ะอืาก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ไม่ก็ไม่มีคําถามอะไรครับาาอาจารย์วันนี้โอเคขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะพระอาจารย์ค่ะพระสุภิจรณยินดีไปค่ะสวัสดีคุณน้องเชิญคุณน้อง ทำจบทานเคมีมาเลยจุนาชีวะค่ะจุชีวะพอโทแล้วพ อ, อตีพอตีค่ะพอตีเขาทำโทอ่ะไม่ค่ะจบจากที่ไหนบอกได้ไหมได้ค่ะอุบลค่ะอุบลนะเป็นคนอุบลก็เรียนอยู่ที่อุบลเลยค่ะมาอุบลนะใช่ค่ะแล้วก็ได้มาทํางานที่นี่ที่บอก่ะ ใช่ค่ะ อ, อยู่ในนิคมค่ะมีที่เป็นที่ทําที่เดียวตั้งแต่จบมาเนี่ยเละ ไ, ไม่ค่ะทําโรงงานอาหารมาก่อนค่ะอ่าถ้ว เ, เปลี่ยนต้งนึกเปลี่ยนอะก็มันมันทําได้ทั้งอาหารและยาอ่างานใหม่นี่ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนมาค่ะ <c oughs> ไม่ว่าแฟนพามาอ๋อแฟนมาเจออยู่ที่ทํางานค่ะอ๋อมาเจอที่นี่ ค่ะอืมเป็นยังไงมีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะโอเคปฏิบัติอยู่นะค่ะโอเค <c oughs> ยังไปที่กุณฟังเวลาต่อฟังเวลาลอยวงกลับนมัสการคะ่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อวานนี้เป็นวันมาคาบ้ชานะคะพระอาจารย์แต่ว่าที่โรงแรมเป็นกิจ ทำกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้เจ้าค่ะ ม, มันทั้งส่วนทางกันมากแต่ว่าเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วอะค่ะก็ก็เป็นแบบมีคือหนูหนูเป็นแม่ง่ะหนูเป็นเจ้าของงานก็ทำงานตามหน้าที่แต่ว่าคืนก่อนวัน ท, ที่ที่จะจัดงานก็คือวันมาคับุษะ ห, หนูตั้งหนูตั้ ง, งอทิษฐานไว้ว่าหนูอะจะใช้สติจเจริญสติทั้งวนันแล้วก็จะใช้พรหมวิหารสิเนื่องด้วยว่ามันมีเคสของพนักงานก็คือ เซลสองคนเนี่ยเขาแจ้งลาออกแต่ว่ า, าทางฝ่ายบริหารเขาให้หนูอะไปคุยกับพนักงานทั้งสองท่านเนี่ยว่าสามารถที่จะ อ, ออกจากงานอะได้เลยเอเพราะว่ามีเหตุประทะคารลมกับทางคนในแผนกซึ่งหนูก็เจราจากันเสร็จเรื่อยมีการเช็คข้อมูลเสร็จเรื่อยซึ่งเขาก็เขาก็ยอมรับแต่ว่าพอในเวลาถัดมาเนี่ยเขาก็ส่งเมสเซจมาว่า เขาขอเจราจาอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อวานเ อ, อโดยที่ถ้าเจราจาไม่สําเร็จเนี่ยเขาจะฟ้องรายงานหนูหนูก็หนูก็รับฟังแล้วแล้วหนูหนูก็นัดเขาว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามนะออตอน ส, สายๆมาเจอพี่ที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวพี่พี่จะรับฟังให้นะคะจริงๆเราก็วางแพทเทิร์นไว้แล้วว่าเราต้องวางเราต้องวางแผนยังไงบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่หนูใช้ก็คือหนึ่งคือสติ ตัวที่สองก็คือพรหมวิหารสี่คือเราใช้ความเมตตาในการรับฟังพนักงานว่าเขามีความเดือดร้อนอะไรแล้วเราก็ใช้เหตุผลอธิบายค่ะพระอาจารย์สุดท้ายแล้วจากจากจากส่วนที่พิลิกมาว่าจะฟ้องร้องแรงงานเขาก็ยอมรับโดยโดยดีซึ่งแล้วเขาพูดกันไปยังไงก็ไม่รู้ค่ะไปไปพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็ อที่เขาเข้าใจเข้าใจเราในการทํางานทั้งสองฝ่ายซึ่งจริงๆแล้วในในหนังสือลาออกเขาเขียนเขาเขียนออกข้อความร้องเรียนหนูด้วยว่าหนูอ่ะไ ม, ไม่ไม่เป็นธรรมกับเขาไม่ให้การช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหาในการทํางานแต่สุดท้ายก็จบลงได้ดีนะคะด้วยด้วยการใช้สติคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกกรณีหนึงคือในสตาฟปาร์ตี้อะคะ่ะก็เหมือนเดิมะคะ่ะพระอาจารย์ในในวิชั่นที่หนูเห็นอะเห็นความ สนุกสนานลื่นเลิงของพนักงานหนูก็ยืนคุมงานโดยปกตินั่งดูปกตินั่งดูพนักงานาดื่มเบี้ยดื่มเหล้าเต้นแล้วก็มีแสงแสงสีมันก็วนไปเวียนมาเราก็เห็นถึงความความไม่เที่ยงเห็นถึงความประมาทของทุกๆคนมันก็แวบมาแบบนี้ตลอดซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะใช้ทั้งสติด้วย ในขณะเดียวกันสตาร์ ป, ปาร์ตี้อะค่ะที่มีจับรางวาัลมีทั้งสร้อยคอทองคา ม, มีทั้งเงินรางวาัลซึ่งหนูอะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าหนูก็ใช้พอพอรู้ประกาศชื่อหนูหนูก็เดินไปแล้วหนูก็บอกว่าสลัก ส, สิซึ่งในทุกครั้งที่มันมีเรื่องของการให้รางวัลต่างๆหนูไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเอ่อทำให้จิตใจวุ่นไหวค่ะซึ่ง hmm. อันนี้ก็น่าจะเป็นผลผลหนึ่งที่หนูมองเห็นแล้วค่ะว่า ส่วนของการที่ปฏิบัติทำมาหลายปีเยมันทําให้จิตใจสงบมั่นคงมากขึ้นแล้วก็การใช้สติก็เป็นสิ่งที่ประโยชน์จ้ค่ะพระอาจารย์อืเราเป็นความสุขในตัวเราเราเลยไม่ต้องเอาอะไรมาให้ความสุขกับมันเจ้ค่ะมีทองสี่เส้นนะเจ้าค่ ะ, ะ, คะโดยโดยที่เจ้าของเขาก็ฝากหนูมาให้ทุกคนก็บอกโอ้โเขาอยากได้หนูก็บอกว่าเออ เ, เอาไปเลยเอาไปเลยใครอยากได้พี่ก็พี่ก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่ามันเพราะมันไม่มีอะไรอะค่ะมันรู้สึกว่ามันใจมันโล่ง ม, มันเบาสบายเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะกันไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยอืมก็พยายามทำให้ได้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะก็เหมือนเดิมแล้วเจ้าขาที่หนูที่หนูตั้งตั้งใจไว้อะค่ะว่าจะทำอะไรให้ดีสำหรับปีนี้ปีถัดไปก็คือหนูเอาสติที่พระอาจารย์เตือนมาทุกทกครั้งอะคะ่ะถ้าเราถ้าเรากำลังจะเริ่ม กำลันจะเริ่มคิดเริ่มมัวหมอ ง, มองเริ่มอะไรอ่าเงี้ยค่ะหนูจะนึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่าสติมาก่อนอันเนี้ค่ะหนูก็จะใช้แบบนี้ตลอดอืมขอบพระคุณคนะจ้คะสอง อ, อาทิตย์ที่ผ่านมานนเข้าไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันขน่ะนั่งฝังข้างนอกนะคะมีคนนอกเข้าอยู่เยอะนะคะขอพระอาจารย์ทัดถังแข็งแรงนะเจ้าค่ะเอ่สาธุาคุณดซียาอยู่บนเขาเลย น้ำตการค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่บนเขาแบบอยู่เขาที่เออเขาที่โอนค่ะแบบทิพทิพค่ะพระอาจารย์ค่ะรู้มาจากไหนอ่าไม่แน่ใจค่ะว่าได้มาจากคุณลาหรือว่าจากใครในในนี้นี่แหละค่ะพระอาจารย์อ่าค่ะมันมายะเดี๋ค่ะมันสวยดีค่ะคิดถึงก็ใช้อันนี้ไปก่อนค่ะะอาจารย์อืม ค่ะที่ที่ผ่านมาค่ะช่วงต้นปีค่ะหนูย้ายย้ายของแล้วก็ย้ายออฟฟิศใหม่ค่ะเลยได้โรคเกี่ยวกับการปวดปวดหลังแล้วก็แบบเล้าไปถึงขาค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้มันนั่งสมาธิแล้วมันปวดค่ะช่วงนี้รักษาโดยการฝังเข็ ม, เ, มเป็นต่อเนื่องทุกสัปดาห์อยู่ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ อ, อไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหรค่ค่ะเลยใช้วิธีแบบว่าเข้าสูมาแล้วได้นั่งสมาธิแบบนี้แทนคะ่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เ อ, อช่วงนี้คือจริงๆอะคะ่ะในครึ่งปีนี้นะคะ่ะหนูวางแผนว่าอยากอยากจะเคลียร์เรื่องงานตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะพระอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นน่าจะเริ่มเก็บเก็บเงินแล้วก็วางแผนจะไปปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้คือ มันเหมือนล็อกเอาไว้เลยค่ะว่าไปไหนไม่ได้เพราะว่าหนูเปิดติวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วมันขึ้นป้ายปรากยว่ามีคนไปร้องเรียนกับทางราชการนะคะแล้วจะให้หนูเอาป้ายลงหนูแบบว่าสุดท้ายค่ะก็เลยต้องแปลเป็นว่าหนูต้องทําเป็นโรงเรียนตรวจวิชาค่ะพระอาจารย์เรื่องเรามันก็เลยต้องงานก็เลยต้องเยอะขึ้นมาอีกค่ะพระอาจารย์น่าจะไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรปิดตัวไปได้ยากค่ะพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้เลยใช้น่าจะต้องอยู่ที่บ้านไปก่อนค่ะก็ อ, อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่พระอาจารย์เคยบอกคือจริงๆปัญหาหลักๆของหนูก็คือที่จริงมันมีหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าหลักๆคือเรื่องเรื่องอยากให้คนไม่ไม่กล้าขัดใจใครหรือว่ากลัวคนอื่นโกรธหรือหลายๆอย่างค่ะพระอาจารย์ ที่พระาจารบอกว่าให้เอาคำด่ามาท่องมันช่วยได้มากค่ะพระอาจารย์บางทีเวลาคนคนมาถามหรือว่าเหตุการณ์เดิมๆค่ะแต่ว่าเรากลายเป็นว่าเราไม่กระทบหรือบางทีไม่สะเทือนเลยหรือว่ามันก็กระทบแต่ว่าไม่มากเท่าเมื่อก่อนค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถดีขึ้นดีขึ้ น, นได้เราซ้อมดก่อนมานั่งมวยทันห ม, มวยก้วาซ้อมโชมกันก่อนก่อ น, นที่จะขึ้นไปทีถ้าไม่ซ้อมขึ้นไปก็ถูทงนับทันที ค่ะพระอาจารย์แต่ไม่น่าเชื่อนะคะเราไม่ได้พิจารณาอะไรเราแค่ท่องคําด่าไปเฉยๆอืมค่ะเพราะเราเพราะเราไม่ชอบคําด่าเราก็เอาคำด่ามาให้เราชินอยู่มันนะครับอาพอชินอยู่มันแล้วเราก็รู้สึกเฉยๆอุ้ยเราก็ด่าได้ทําไมต้องให้เราให้คนหนึ่งมาด่าเราทำไมเราก็ด่าตัวเองได้ด่าไปก่อนเลยไม่ดีกว่าค่ะพระอาจาค่ะ เลยเมื่อกี้ตอนที่นั่งสมาธิรอพอพูดโทบางทีมันยังใจเต้นๆอยู่พอใช้คําด่ากลายเป็นมันเริ่มใครเร็วกว่าพูดโทค่ะพระอาจารย์ใช้ได้อันไหนที่ทําให้ใจสงบก็ใช้ได้นะค่ะพระอาจารย์คืออ๋อแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้เคยถามพระอาจารย์ไปแล้วค่ะว่าจริงๆหนูวางแผนว่า หนูจริงๆหนูอยากจะออกจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะอยู่ที่นี่ถ้าสมมุติหนูแบบเก็บเงินไปออกจากเขตสามจังหวัดแบบนี้มันจะบาปไหมคะพระอาจารย์ไม่บาปหรอกทำไมก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเดเหมือนเดิมค่ะหนูไม่ค่อยชอบแบบว่าคืออยู่ที่นี่ เราไม่ค่อยเรากลายเป็นคนเป็นเอเลี่ยนนะคะคนไทยพุทธหรือว่าเราหนูรู้สึกว่าการไปชนบุรีหรือว่าไปตามวัดป่าแถบอุดรมันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากกว่าะคะ่ะพระอาจารย์แถบนู้นแถบนี้เราเป็นเอเลี่ยนจริงๆอะคะ่ะพระอาจารย์หนูเป็นคนเขาก็เป็นต่างศาสนาแล้วมันมีความเซนซิทีฟหลายๆดื้หลายๆเรื่องอะคะ่ะพระอาจารย์ก็เราอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่หม อ, อ๋อหนูไม่ได้อยู่ตั้งแต่เกิดคะ่ะหนูไป หนูเรียนอยู่แค่ถึงประมาณมสามค่ะแล้วหนูก็ไปอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋อแล้วก็ ย, าย้ยายออกไปที่อยู่ปัตตานีแล้วก็ไปเรียนต่อกรุงเทพแล้วก็ทํางานที่ชนบุรีระยองหลายปีเลยค่ะแะสดงว่าเราชิงกับทางนี้มากกว่าทางบ้านเราใช่ค่ะเลยรู้สึกแต่หนูก็พยายามปรับปรับตัวนะคะคือเมื่อก่อนก็แบบก็คือ คนหนูไม่ค่อยชินกับคนที่นี่ก็ใช้วิธีอยู่คนเดียวไปค่ะหนูไม่มีเพื่อนเลยนะคะยกเว้นเพื่อนก็คือใช้วิธีสันโดษอย่างเดียวเลยค่ะถ้าใครคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็ก็เงียบก็เวียอยู่คนเดียวเราไปกันดีเหมือนกันค่ะแะก็รู้สึกว่าอยากมีวางแผนอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นมากกว่าค่ะพระอาจารย์ระวางคำโบราณที่ว่าน่ไม่เจนนิเสือปะะา่าจระเข้แล้วกันนะ ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองเคยคิดไหมบ้างว่ามีเสือเดี๋ยวอาจานยไปเจอจะโอเคค่ะหนูแค่คิดว่าอําอยู่สมมติถ้าไปแถวสงขาคนก็จะไม่จะมีคนไทยพุทธเยอะขึ้นมันน่าจะรู้สึกดีกว่าอยู่แถวเนี้ยค่ะพระอาจารย์ตรงนี้มีแต่มุสลิมเราเป็นไม่ถึงห้าเปอร์เซนะคะพระอาจารย์อืมันก็ต้องยอมรับความจริงแล้ว่าไปห้าเปอร์เซ็นต มั S <S <S เป็นกห้าเปอร์เซ็นเราจะไปเปลี่ยนมันได้ยางไงความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงรคาคาเดี๋ยวลองลองกลับไปคิดดูนะคะพะอาจารย์แต่จริงวางแผนไปน่้แะแต่เพราะว่ามันบางทีเราย้ายไปนี่มันก็ม่นก็อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าเหมือนกันนะใช่ไหมค่ะอม่มันจะเป็นจราเข่หรือเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ ก็ไม่เป็นไรถ้าเจอก็ถอยกคุกมาหาเสียมัมนก็ได้โอ้ยถ้าเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวดูทางหนีที่ไล่ไม่ก่อยก็ได้ค่ะทำใจกันตอนแรกคือมุ่งเป้าเลยค่ะว่าเอ่อหลังจากนี้เดี๋ยวจะเก็บเงินจะไปอยู่หัดใหญ่เงะค่ะพระอาจารย์เล็งที่เอาไว้แล้วด้วยค่ะพ่ะาจารย์ค่ะเดี๋ยวลองคิดดูค่ะว่าในสามปีนี้จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าค่ะพะอาจารจะลองพิจารณาดูก่อนค่ะ หลวงปู่มั่นท่านเคยพดเหมือนกันเรามี ม, ม, มีมีลกศิษยมาถาแว่้าไปเราจะดีหม <c oughs> หลวงปูบอกว่าก็าดูสิว่าถ้าไปดีกว่าอยู่ก็ไปนะถ้าอยู่ดีกว่าไปก็อยากไปให้อยู่ท่านถ้าไปก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ได้อยู่ก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูแกกําลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นมองจุดบ่อยว่าเราเป็นอยู่ท่ามกลางามุสลิมหรือเปล่าหรือว่า อยู่ท่ามกลางบางทีแบบอยู่ท่ามกลางไทยพุทธที่ไม่เป็นไทยพุทธหรือเปล่าแล้วแต่เราไปมองจุดนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆมันมีข้อดีแต่หนูจะลองพิจารณาอย่าไปถือต่างศาสนาเลยก็เป็นคนเหมือนกันดูที่อัจฉยาสายไมตรีจิตนี้ก่าแต่ก็มีเมตตาม่ความอะไรบางที่อยู่อยู่พวกเดียวกันกต่ไม่มีความเมตตาต่อกันก็ไมีใช่ไหมค่ะอาจารย์ ยังมีคนน่ารักน่ารักที่เป็นมุสลิมอยู่เหมือนกันค่ะอืมเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะก็มีดีมีไม่ดีบนกันไปอธิษฐานโชคไม่ดีไปเจอแต่คนไม่ดีครับค่ะหรือไม่ก็คือไปฝังใจตรงนู้นนะคะเลยเลยไม่ได้เปิดตามองที่ดีๆที่จริงก็มีค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่แล้วองทีเรามืนความอย่างบางทีมันก็ ก็ทําให้เราเนี่ยต้องดินดน้นรนค่ะทาไมพ่อแม่เขาไม่ไปด้วยละ่ะเขาแก่แนละ้วเขาคิดเหนื่อยแนละ้วเขาไม่อยากจะไปเริ่มต้นที่ใหม่วนะัยให้ประมาณนี้ต้องเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะเข้าย์ คุณพ่อคุณแม่ชอบสังคมที่แบบนี้ค่ะแบบว่าได้เจอหน้าก็พูดคุยกันอนะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเจอหน้าก็ไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใครถ้าไม่ได้แต่นเป็นคนแบบสมัย ใ, ใหม่ไมชอบอชอบไปอที่มีกิจกรรมต่างๆสูนการค้าลงอะไรต่างๆค่ะแล้วก็จริงๆคือไม่ได้ไปมาหลายปีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปหาดใหญ่ค่ะพระอาจารย์มารู้สึกแบบว่าโอ้ยแบบได ได้ปลดปล่อยแต่ว่าพอไปหลายๆครั้งค่ะก็พยายามไปดูปรากฏมันก็เริ่มเบื่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไปเราก็เดินที่ซ้ํำๆก็เมื่อยขาเหมือนกันความความความดีใจมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ใหม่ๆมันก็ดีแหละพออยู่ไปนานๆค่ะมันเริ่มชินแล้วมันก็เริ่มเกิดความเบื่อห น, า น, าน่ายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะพระอาจารย์จุดนี้เนี่ยแหละค่ะที่กังวลเพราะว่าบางทีเวลา หนูเคยคิดอยากจะไปอยู่วัดป่าค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เห็นเวลารถกระบะมารู้สึกอยากจะกระโจนไปเรายังติดเที่ยวอยู่ค่ะแบบว่าจิตสติเผลอค่ะพระอาจารย์หนู mm hmm. แต่ว่าคือจริงๆที่หนูบอกพระอาจารย์ค่ะคือหนูหนูฝันว่าหนูอยากจะไปตายที่วัดป่าค่ะ mm hmm. แต่ว่าแบบกลัวกิเลสมันสู้ไม่ไหวค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบ ตอนนี้พยายามซ้อมอยู่แล้วก็อยากจะเก็บเงินอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นผู้หญิงหนูคิดว่ายังไงก็ต้องใช้เงินค่ะถึงไปอยู่วัดค่ะวก็ได้นะแต่เราจะวางแผนกันแล้วกันค่ะพระอาจารย์ค่ะเป้าหมายก็คือให้ใจเราสงบเมื่อเราจะอยู่ที่ไหนให้ได้ก็ะจะดีที่สุดเหรอคะพระอาจะถ้าอย่างนั้น หนูอาจจะเปลี่ยนเป็นวางแผนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้หรอคะหรือว่ายังก็มันอยู่สําคัญที่ใจไม่สําคัญที่สถานที่หรอกสถานที่มันเป็นที่ที่แล้วแต่ว่ามันมันเอื้อต่อการปฏิบัติเรื่องของใจของเราหรือไม่แค่นั้นเองถ้ามันเอื้อก็จะดีถ้าที่บ้านเราอยู่ตรงนี้มันทําให้เราปฏิบัติทำได้แล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาที่อื่นไป ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะหนูจะได้มีสโคบที่มันแบบยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะอืมค่ะถ้าเป็นหเราก็มองที่ใจเป็นนะ่ะอืมคือใจกับฐานที่ที่เหมาะที่จะทาให้ใจสงบใจมีความสุขจากการปฏิบัติแต่อย่าไปมองถานที่แบบเป็นที่ใจได้ไประบายไปปล่อยไปดูไปชมไปฟังอะไรอย่างนี้ที่แบบนั้นมันก็ มันไม่ได้ทําให้ใจเราดีขึ้นนะใช่ค่ะอาจารย์ใจเราจะดีขึ้นการต่อเมืม่อมีมีสติมากขึ้นมีธรรมะมากขึ้นมีความสุขใจมากขึ้นไม่ว่าถึงแม้เราจะไม่มีอะไรข้างนอกแต่ใจเรามีความสุขอันนี้สําคัญกว่าอย่าไปใช้ข้างนอกเป็นตัววัดความสุขให้กับใจ บางที่มันมันสุขเหนียวเดียวพอมันชินทามันก็เบื่อมันเนมันก็คิดอยากจะเปลี่ยนที่นะถ้าตรงนี้ไม่สุขแล้วไปที่อื่นดีกว่าตรงนั้นน่าจะดีกว่าลไปเรื่อยๆอายุก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะไม่มีที่ไหนมันจะให้ความสุขเราแบบยั่งยืนถ้ามันไม่ใช่เป็นความสุขภายในใจขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ โอเคนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอ่าถ้าอยู่ที่แดนน่าดีที่สุดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอยุ่งยาก <c oughs> คนอื่นก็อยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้ <c oughs> เขาก็เป็นคนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขา <c oughs> ต้องถามต้องถามเขาทาไมเขาถึงอยู่ได้กันเขาชอบกับพระใจเคยถามอยู่เหมือนกันใ่ะขาชอบแต่เราไม่ชอบใช่ ก็เลยยอจำนนแล้วหลับปรับใจนะให้ชอบไม่ได้เลยถ้าเขาชอบเราง่ายกว่าเปลี่ยนใจนั่นดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายนะเปลี่ยนสถานที่มันยากกว่านะที่มันยุ่งยากนะต้องโยกย้ายถิ่นฐานนี้ซึ่อเปลี่ยนใจไม่ดีกว่าถ้าเราไม่ชอบเรานี่ก็เปลี่ยนใจให้มันชอบมันอย่างที่ที่เราด่าตัวเราเองเนี่ยด่าเรื่อยๆแต่เราหาชอบมันที่ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวเดี๋ยวหูเอาเป็นไปเอาไปเป็นกันบ้านนะคะอา่าค่ะคนเห็นก็ชอบแล้วเราก็ทำไมเราจะชอบไม่ได้อืมค่ะอืมเดี๋ยวลองดูค่ะพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณค่ะปัญหามันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบนี้ตอนนี้มันไม่ชอบมันก็อยากอย่างนี้ไปที่อื่นเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวไปเจอไม่ชอบเองมันก็ต้องเปลี่ยนไปอีกอย่างนี้ อั้นต้องมาทําใจให้เป็นโอเบกขาให้ได้อันนี้แหละเป็นตัวที่จะระงับความรักชังกลัวหลงได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าใจมีโอเบคขาแนละ้วยอมรับมันใช่ไหมคะแต่ถ้าไปหาจุดที่ชอบมันก็มันไปยั่งยืนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเช่มันอาจจะยังยย่งยืนแต่ใจเราไม่ยั่งยืนใจเราเดี๋ยวก็เบื่อขึ้นมาเรเจออะไรจับเจนเราให้กินอาหารที่เราชอบทุกวันดูเนี่ะเบื่อค่ะเบื่อใช่ไหอ กิเลมันหลอกลเราไงนานๆที่เราไม่ได้ดนานได้กินเทียวเอ้ยรู้สึกก็เลยอร่อยแต่ถ้ากินทุกวันนี่เดี๋ยวไม่เอาละพออันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปทางโน้นตรงนั้นน่าจะดีกว่าตรงนี้เยอะนะนะพอไปจริงๆก็มันก็เหมือนกันพอมังกลับมามองกรมาตรงนี้ตรงนี้ก็ดีอยู่นะตรงที่เราทิ้งไปเนี่ย ก็มีภาษาอังกฤษเขาบอก The grass is always greener on the other side of the fence ค่ะก็จริงค่ะห า, ามันเขียวจรมากกว่าทางด้านของร้วเราดูรู้ส่วนที่อยู่ในรัว้วของคนอื่นเนี่ยรู้สึกมันเขียวกว่าจีิงเยหญาบ้านคนอื่นสวยกว่าบ้านเราสมดใช่ไหมคะใช่แก้ที่ใจเราไะใจเราไม่อิ่มใจเราไม่พออัญหาความอยากมันดิ้นรนป้ายเราดินน้นรน ถ้าเราทำสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบความสุขความอิ่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายกว่มาเปลี่ยนใจดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนสถานที่ เ, ยเลยสถานที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าคนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนสถานที่กันอยู่เมืองไทยก็ไปอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกได้ปีสองปีเบื่อแล้วกลับย้อนนี่มีข่าวมีคนทไทยไอยู่เมืองนอกได้ปีสองปีเบื่อแล้วใจจะกลับบ้านเนี่ย อยู่ตรงนี้ก็คิดว่าตรงโน้นดีเพราะอยู่ตรงนั้นถึงให้เราไม่ดีสึ่ตรงนี้ไม่ได้กลำเลยีังนมันปรับที่ใจดีกว่าง่ายดีถ้าไม่ชอบก็พยายามทําให้มันชอบเสียแล้วทําให้มันเฉยเฉยเสียอยู่กับมันได้ฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆแใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะเฉยได้ถ้าไม่ชอบก็จะหายไป ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้คงอาจจะได้เป็นนั่งเก้าอี้อะไรเปลี่ยนไปแทนนั่งสัทขาสมาธิแทนได้ตรงไหนนั่งอะไรนั่งในท่าไหนก็ได้ขอให้มีสติทําใจให้สงบไปแล้วกัน น, นี่จะเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องแก้ที่ใจอย่าไปแก้ที่สถานที่ไปที่ไหนมันก็ต้องมีข้อบกพร่องทั้งนั้นนะก็เหมือนกับพระที่มาบวชนี่บางทีก็ ย้ายวัดอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ว่านี้ก็ไม่ดีพออยู่วัดนู้นก็ไม่ดีพอมันจะให้มัน p เปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกมันต้องมีดีบ้างไม่มีได้ไม่มีดีบ้างมาสงมงขึ้นไปพยายามมองหาสิ่งที่ดีบ้างสิมองดูสิ่งที่ดีที่เรามองข้ามไปมัวแต่ไปโฟกัสโฟกัอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีมันก็ยิงทําให้กลายเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนภูเขาขึ้นมา อย่างคํามคมโบราณก็ว่าความดีของคนอื่นนี่เหมือนเห็นไปแค่ผงทุลีแต่ความไม่ดีของเขาแม้จะเป็นผงทุลีก็มองว่าเป็นเท่าภูเขาขึ้นมาในกิเลยมันจะมองเงี้ยมองอะไรถ้าไม่ชอบหรือว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเลยต้องมาแก้ที่ใจ อย่าที่ความชอบไม่ชอบให้นางับไปให้มันเป็นอุเบกขาไปไม่รักไม่ชอบไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอที่ไหนก็เหมือนกันแหละมันก็ไม่เปลี่ยนความแก่เจ็บตายไปสุนเดิมธรรมการอันนี้ไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้มีสงครามโลกก็มันก็ไม่เปลี่ยนความแก่เจ็บตายของพวกเราทุกคนเรานึ้อมอตัวประเด็นสาคัญไป ก็คือความแก่ความเจ็บความตายของพวกเราทุกคนเนี่ที่พุทธเจ้าส่งสอนให้เราเราลิกอยู่เรื่อยๆเรากิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาถ้าเราเราเลิกอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ดังนั้นอย่าไปอย่าไปหวังว่าที่นู่นจะดีกว่าที่นี่หรือเหตุการณ์นูนจะเปลี่ยนไปให้ดีขึ้น โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงมีมีดีมีเชื่อผสมกันไปแต่มันก็ ม, มาเปลี่ยนความจริงของเราเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีดังนั้นถ้เรามาทําโจทย์อันนี้ดีกว่ามาทําใจให้เรายอมรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ร่ำลาได้แล้สบายอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรจะเกิดก็ได้มีสงครามก็ได้ไม่มีสงครามก็ได้ค่ะพระอาจารย์ เนี่ยมาทำใจดีกว่ามานั่งสมาธิฝึกสมาธินั่งนั่งทำใจให้สงบบ่อยๆแล้วใจก็จะเฉยเนยโอเคนะใช้เวลายาวงากนะเนี่ยขอบคุณค่ะถากค่ะอันนี้คุณมาิกาตอบมาริกายังเฉยได้ไหมอยู่ก็เลี้ยงพอต้องเลียงพออย่างนี้ได้เนาะกรับมามาตรการค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ส่นหลวกรัน ก็อยู่ได้เพราะว่าเผ่าพันธุ์ก็มาจากมุสลิมด้วยค่ะพระอาจารย์ทวดตั้งขวัยพ่อทวดผู้หญิงนะตั้งฝวายพ่อข่ัยแม่เป็นมุสลิมเจ้ามุสลิมก็เป็นคนเหมือนกันมีคนดีคนไม่ดีปล่อยกันไปเหมือนกันพุทธก็เป็นคนเหมืนกันเราไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่อยู่เพราะว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมตั้งข่ัยพ่อข่ัยแม่เยอะด้วยค่ะพระอาจารย์ออืกะ เป็นนามสกุลของจันทรแก้วค่ ะ, ระพรอาจารย์แต่เร<ม>นะามาเป็นพูดได้ไงพี่ยองก็เป็นมุสลิมใช่ก็ทวดค่ะพระอาจารย์ทวดเป็นทวดเป็นมุสลิมฝ่ายพ่ อ, อก็ก็เป็นทวดทวดผู้หญิงค่ะทวดผู้หญิงเป็นมุสลิมฝ่ายแม่ก็ทวดผู้หญิงเป็นมุสลิมถ้าเั้งแต่เบื่องโน้นก็พวกเราก็สืบสายเลือดมาก็ ก็ในรุ่นๆของรุ่นนี้ก็คือแล้วแต่พราะเพราทุกคนก็จะไม่มาค่ะว่าใครจะแต่งงานกับใครกับต่างศาสนาอะไรก็เขาไม่ได้ว่ในตระกูลพวกเราจะไม่ว่ากันเพราะว่าจะสลับอยู่ตลอดเวลาครับางทีพวกเขามาพวกทางมุสลิมก็มเป็นไทยพุทธทางไทยพุทธก็เป็นมุสลิมเยอะมากค่ะจารในเรื่องนี้ค่ะก็ อ, อยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหา แล้วก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ก็ได้เจอแบบท่านสอนอันหนึ่งว่าการที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเราประสบผลสําเร็จเกิดความยินดีค่ะพระอาจารย์รู้สึกมันปื้มมันติดติดนาแบบไอตัวนี้เป็นกิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย์อะไรนะเป็นแบบว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราประสบผลสําเร็จ เสร็จแล้วเรารู้สึกว่าปลื้มปิติกับมันซึ่งจริงๆจริงๆแล้วมันมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคุณอาจารย์ที่จะไปจะไปติดอกู่กับการดีใจก็ไม่ดีเสียใจก็ไม่ดีเฉยๆดีสุดวั น, นดีใจอันเดียวมันผ่านไปมันหมดไปมันก็มันก็เศร้าม<ๆ>าใหม่ นนเราื่องความรู้สึกว่าเออนะทั้งวันเลยเรารู้สึกว่าโอ้ทำได้เราทาได้อเออรปิดติรู้สึกยินดียินดีในผลงานที่เราทำแต่พออีกทีหนึ่งมองอีกทีหนึ่งจริงหรือที่ว่าเราไปยินดีกับการที่เรามาปฏิบัติ แล้วปยินดีในสิ่งเหล่านี้มันบางทีก็ไม่ถูกถูกต้องก็ก็คือของน้องของคุณปางวิไลน่าจะจำชื่อได้นะที่ที่น้องก็จะพูดถึงว่าใช้สติแล้วพยายามที่จะทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจว่าจะไม่จ ะ, จะไม่จะไม่นอกเหนือจากสิ่งที่ตั้งใจวไห อ, อถึงแม้จะมีรางวัลอะไรมาก็ ก็สามารถสละอันนั้นได้เอาแค่พอตัวเจ้าก็จะเออไม่ยินดีค่ะโอเคค่ะคําถามรู้ไม่มีคําถามเราไม่ต้องมายินดีขายให้อะไรมาก็เฉยเฉยไว้คช่ใช่ค่ะขายกัมยไปก็เฉยเฉยกับอ่าข้อนี้ข้ในข้อนี้นั้นก็คือจะพูดนิดนึงหนึ่งที่เขาจะก็คือได้มาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อนั้นจะมีนิสัย จะมีนิสัยที่ว่าพอมีพอกินก็คือใครให้อะไรก็เอาเฉพาะเท่าที่ตัวเองกินอิ่มแค่นั้นจําไม่เอามากแค่ๆจะไม่เอาม า, คม า, ม า, า, ากครับเจ้าขพระอาจารย์ก็คือสิ่งเหล่านี้ก็สัมโดดสัมโดดมากน้อยสัมโดดดีสุดใช่เจ้าขวั่วพระอาจารย์ดังนั้นนะลูกจึงเป็นคนที่โชคดีที่ว่าจะเค็มจะหวานจะอะไรอยากจะให้พ่อทานข้าวทางอะไรเนี่ย คือพ่อจะไม่พูดเลยพ่อจะไม่พูดเลยว่ายังไม่อร่อยอะไรไม่อกร่อยพ่อจะไม่พูดในจุดนี้แต่ว่าก็จะบอกว่าต้องทานน้าเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็พ่อจะเป็นสลดนิดนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนจะก็จะจัดตาทึบจ้ะโอเคไม่อะไรไหมไม่มีแล้วค่ะก็อาจารย์ไม่มีคํำถามแล้วค่ะโอเค อาจารย์คุณแซมแซมกเกษงเชิญมาจากที่ไหนนรักการการครับเอ่อเป็นแฟนหมอใหม่อ่ะครับแฟนหมอใหม่ครับที่จันทบุรีอ่ะครับเอ่ อ, อหมอใหม่ที่ไปเข้ามาครับเมื่ที่หายไปแล้วที่นั้นครับอือวันีมีคําถามเรื่องการปฏิบัติมาถามอาจารย์นะครับอ๋อเชิญ คือบางบางครั้งเวลานั่งแล้วบางครั้งอภาวนาพุโทโธแล้วอมีสมาธิแต่บางครั้งก็ไม่มีสมาธิก็เลยลองเปลี่ยนไปอย่างเช่นนับเลขอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอดีดีกว่าพุโทโธในวันนั้นนะครับก็คือถาจะถามว่าควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมครับหรือว่าก็แล้วแต่ถ้ามันได้ผลดีก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่หายลงไหนทําแทนกันได้แต่เวลาทําขณะที่ทําไม่ควรจะเปลี่ยน ทำอะไรก็เอาอั้นนั้นรหรือว่าเปลี่ยนก็ต้องมีเหตุมีผลว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นกับเปลี่ยนนี่ก็ได้แต่เวลาที่เราพูดโธพูดโธไปหรือเรานับอะไรไปนี่ก็ควรจะทําทอย่างนั้นไปมันจะได้ต่อเนื่องว่ามันจะได้เข้าสูขข่ความสงบได้ถ้าเราไปเปลี่ยนมันก็าจะทําทให้เราเหมืนมันล้นเริ่มต้นใหม่ก็ได้ครับแล้วคําถามที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลานั่ง สั้นๆแล้วมันจะมีสมาธิดีกว่านั่งยาวๆนี่ครับระหว่างนั่งสั้นมีสมาธิดีกว่ากับคนจะนั่งยาวๆสมมติชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอันไหนดีกว่าครับอาจารย์มันก็ต้องทั้งยาวทั้งสงบแบบดีที่สุดอ่ามยนใหม่ๆมันจะสงบแค่สั้นๆไปก่อน mm hmm. เพราะกาลังสติมันน้อยพอนั่งยาวขึ้นไปสติหมดมันก็เลยไม่สงบแล้วอต่เป้าหมายก็คือมันต้องนั่งให้มันสงบแล้วก็ให้มันยาวด้วย เราช่วงแรกเนี่ยควรจะทำท่านที่เราทำได้ช่วงแรกแล้วก็วทำท่าที่เราทำได้ถ้าช่วงไหนที่มีสติมันก็จะส ง, งบได้ช่วงไหนไม่มีสติมันก็จะไม่ส ง, งบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสั้นหรื อ, อยาวครับนี่อยากจะไปอยู่ปฏิบัติที่วัดเคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่กรอกไปแล้วมันมันขึ้นเออร์เลอร์ครับแล้วก็เคยโทรไปที่เบอร์ที่หน้าเว็บไซต์แล้วมันไม่มีคนรับสายก็ ก็ไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่าถ้าจะไปที่วัดนี้ต้องติดต่อใครครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานส่งแชดมาให้ก็แล้วกันนะครับครับเบอรของวัดยานใช่ไหมวัดครับอยากอยากไปอยู่ที่วัดยานปฏิบัตินะครับโอเคคือที่วัดยานมันมีที่ปฏิบัติอยู่สองที่ที่ข้างล่างกับที่บนเขาครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าปฏิดต่อ ที่ว่าเขาก่อนนะก็อาจจะไปลองอยู่ที่ข้างล่างก่อนแล้วขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นข้างบนก็เป็นเรียงรูปแบบหนึ่งอยู่แบบพระข้างล่างเขาก็มีกุติมีบ้านให้อยู่แล้วก็มีกิจให้ลงทำบวชลงบวชเช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่บนเขาก็จะไม่มีการลงบวชลงอะไร mm hmm. มีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวแต่อยู่แบบที่มันไม่มีไฟฟ้า mm hmm. ไม่มีน้ําประปา มันมันอยู่ในแบบอยู่แบบแคมปิ้งอ่ะไม่แต่แค่อันนี้ต้องไปดูก่อนไปไปครั้งแรกนี่ควรอยู่ข้างล่างหรือข้างบน อ, บอยู่อยู่ข้างล่างก่อนแล้วอาจจะตามพระขึ้นไปเวลาพท่านกลับขึ้นข้างบนก็ตามให้ไปดูสถานที่เป็นยังไงครับครับอ๋อวันนี้จะได้เปรียบจะได้เปรียบเทียบดูว่าอันไหนเหมาะกับเราครับเป็นหมอได้เปล่าหม อ, อเปล่าครับอผม อันนี้หมอใหม่สบายดีนะก็สบายดีครับวันนี้วันนี้ทําเลิกสองทุ่ ม, มครับก็เลยจะไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครมบเลิทํางานหนักนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีหล้กครับผมเดี๋ยวทีมงานช่วยส่งเบอร์โทรของวันให้เขาหน่อยนะที่เข้าไปนั่นไปไปไ ป, ไปในเพจหรือเปล่าเพจวิญญาณเขาก็มีเบอร์ให้นะเออเบอร์ที่ที่สมัคร ไปที่ไปอยู่วัดนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายโทรติดแต่ไม่รับสายอาจจะต้องโทรในช่วงที่เขาทำ ง, งานผบ โ, โทรกลางวันเลยครับเดี๋ยว เ, เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์คุณหมูให้ครับครับครับได้อขอบคุณครับอ่าถึงาไนนี้คุณชันทาตัวชันธาเนี่ชันทาใชาไ่ไหม รนัมาสการครับพระอาจารย์ฉันทาใช่ไหมจันทาจันทาครับพระอาจารย์จันทันทาจันทาไม่ใช่ครับพระอาจารย์อพระจันทร์ใช่จันทาใี่ไหมนี่พระจันทร์จันท์ทาจันท์ทาพระอาจารย์อ่โอเคที่แปลว่าพระจันทร์นะครับพันทร์โอเคจันทาจันทาแปลว่าความยินดีครับฉันทาวิริยะจิตเจวิมังสาในอิธิบาศี ครับพระอาจารย์ชอบมากครับชอบฟังมากมครับครับเป็นยังไงมีอะไรไหมครับพระอาจารย์คือปฏิบัติเรื่อยๆแล้วก็เอาธรรมะของพระอาจารย์มาใช้เนี่ยคือดับความทุกได้นะครับมีือทุกน้อยลงอาจจะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เราก็นึกถึงประําคาสอนอมาใช้แล้วก็ดับความทุกได้นะครับ อเหมือนเหมือนถ้ามีแผลเกิดขึ้นในใจเราเราก็เอาเอ า, เอายากินยากินยาเพื่อรักษาได้ครับพระอาจารย์อคือเ อ, อจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเจอคําว่าอะไรเนี้ยครับอาจารย์พระอาจารย์คือเอใจเราก็จะทุกข์ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุาหว่าเราทุกข์เพราะอะไรคือเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าอม เขาเป็นเอดินน้ําลมไฟแล้วก็เขาเป็นอดินฝาอากาศเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับเข้าได้นะครับค mm hmm. ่บพระอาจารย์แล้วก็เออีกอย่างหนึ่งคือผมอโชคดีที่ได้แบบว่าท่องอ น, นิสงค์ของการแผ่เมตตาทุกทุกทุกเชาวแล้วก็ก่อนนอนนะครับพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยเราก็รีบแผ่เมตตาเสียอะไรเนี้่ครับพระอาจารย์ ก็ก็นึกถึงอานิสงค์ของการแผ่เมตตาครับว่ามันจะทําให้เรานอนหลับง่ายนะครับคือทําให้จิตใจเราสงบเวลานั่งสมาธิอะไรเนี้ยผมก็นึกถึงประโยชน์ของการแผ่เมตตาก็เลยริดแผ่เมตตาทุกก็ก็ก็ก็ก็หับไปนะครับ่อาจารย์ใช่แผเมตตาจะทำใหเราอยู่เย็นเป็นสุขเดินก็สุขหลับก็สุขคนอนหลับก็ไม่ฝันได้ ครับครับและสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากได้นอนหลับให้แบบว่าสนิทให้สบายให้นอนง่ายอะไรเนี่ยมันก็นอนง่ายทุกคืนแล้วก็หลับสบายนะครับไม่ทุกข์ไม่ปวดหัวไม่ปวดหัวรามนาคาอะไรเนี้เหมือนแต่ก่อนไม่มีอครับพระอาจารย์อืมครับวัดียววดียวทำแล้วจิตใจจะสงบหลับง่ายครับครับเหมือนที่พระอาจารย์เอืม เคยเทตะมาว่าเออย่าพึ่งเชื่อได้ยินแเราอย่าพึ่งเชื่อจนกระทั่งเราเอามาพิสูจน์เองว่าจริงหรือไม่เราอย่าเร า, เราค่อยเชื่อประมาณเนี้ยครับพอพิสูจน์ เ, เปนสาทิฏิโกเรต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้ใช่ใช่ครับรอาจารย์แล้วก็มียอมยุดเย็ยนด้วยนะครับก็<ม>ก็ช่วยได้ยอมยุดเย็ยนครับเอ มีอะไรไหมครับพระอาจารย์ไม่มีแล้วครับแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติเรื่อยๆครับพระอาจารย์นะแล้วก็ <Okay. S 2> พยายามที่จะนัเพียนทุกๆวันนะคะเออดีครับพระอาจารย์ <Okay. S 2> ครับโอเคขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับโอเคนั่งไปที่คุณมาลีต์จับลงข้อค่ะ ไปยังไงสบายดีแล้วสบายดีค่ะหลวงพ่ออาทิตย์นี้มีคนที่บริษัทมาทําบุญหลายคนเลยอ๋อพี่หนึ่งค่ะเขาไปแล้วเขาส่งรูปมาให้ดูแต่ว่าคราวนี้พี่หนึ่งเขาไว้ได้บอกอะคะ่ะหลวงพ่อหนูก็เลยไม่ได้ร่วมไฟ้ไปฟใช่ <มา S 1> ค่ะ<า>ค่ะแต่ว่าหลวงพ่อคะ่ะแต่ว่าหนูที่เคยเรียนหลวงพ่อไว้อ่ะคะ่ะที่หนูทําประจําทุกเดือนเข้าวันชีหนูยังทําอยู่นะคะหลวงพ่อ อินดีอนุโมทนาด้วยสาธุค่ะยังทำอยู่ยงเงียบๆค่ะไม่ไม่ได้บอกคุณหลาค่ะอืมอ่า <Hey. S 2> มีอะไรไหมเกิด น, นี้ก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีคำถามค่ะหลวงพเพียงแต่ว่าเห็นสภาวะบางอย่างนะคะหลวก็่มันเกิดขึ้นก็ทำให้ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นค่ะหลองค่ะอืม คือเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้เราไปจัดการมันไม่ได้หรอกมันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดทำให้ดับไปค่ะวิธีที่ ด, ด, ดีสำหรับเราคือให้รู้รู้ทันแล้วปล่อยวางนะปล่อวงเป็นอย่างนี้แค่คคนี้ค่ะหนูหนูเห็ น, ห น, เ, หนเห็นสภาวะบพอดีหนูนั่งซ้อนวินมอไซค์กลับจากโรงพยาบาล น, นะคะหลวงพ่อ เห็นสิ่งที่มันไม่ชอบใจก็คือว่าคนขับอ่ะมันหนูเหม็นกลิ่นบุหรี่แล้วเสร็จแล้วกลิ่นบุหรี่อ่ะมันมันส่งผลคือหนูไม่ชอบแล้วมันวิ่งมากลิ่นอ่ะมันวิ่งมาที่ใจใจมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมันมันก็กระทบแต่พอเรารู้ทันมันนักขณะจิตปัจจุบันตอนนั้นนะคะหลวงพ่อมันก็จะหยุดด้วยการที่เรารู้เฉยๆดูเฉยๆอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อ เราไม่วิ่งเข้าไปตามเราไม่ต้องเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาว่าทําไมไ ม, ไม่ไม่รักษากินไม่นึกถึงผู้ทธิสารอันเนี้ยคือตัดไปเลยค่ะหลวงพ่ อ, อพอพอ <แก S 2> เรา <ใจ S 2> เฉ็ แ, แบบเนี้แก่ใจเราค่ะหลวงพ่อพอเห็นแบบเนี้ยมันมันก็หยุดมันกลายเป็นคนดูดูแล้วก็แบบอยู่เฉยๆอ่ะคะ่ะแล้วก็อาการต่างๆมันก็มันก็ดับลงพอพอมันมันดับลงไปเนี่ย พอมาทําแบบเนี้ยบ่อยๆหมายถึงว่าเราแค่มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอาการรู้ทันความโกรธอะไรแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันทําให้เราเห็นเห็นความเกิดแล้วก็ความดับของสิ่งที่มันเข้ามาของเราทั้งสุขทั้งทุกข์แบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะเห็นว่ามันมันแค่มาแล้วมันก็ไปเราเราก็ไม่ต้องไปไปยึดไปถืออะไรกับมันอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อพอเห็นบ่อยๆอะใจเมิน มันเหมือนกับว่ามันวางอ่ะมันไม่ไปยึดไม่ไปถือแล้วก็ทุกข์มันก็ไม่เอาสุขมันก็ไม่เอามันก็เลยใจแบบกลางๆแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวตนเราอ่ะมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะหลวงพ่อมันพอทงเห็นแบบเนี้ยใจมันมันโล่งมันสบายมันสบายใจค่ะหลวงพ่อมันมันก็ไม่เข้าไปทุกข์ไปสุข แต่ว่าไอ้ไอ้อทุกข์ไป้สุขเนี่ยมันก็ยังยังมีของมันอยู่เพราะว่ามันเหมือนเ้าเรียกอะไรนะคะหลวงพ่อมันยังปรุงอยู่อ่ะแต่ว่าเราไม่เข้าไปไม่เข้าไปเอากับมันไม่เข้าไปเล่นกับมันแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันเห็นเห็นประมาณประมาณแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงที่เห็นน่ะมันเหมือนไอ้สิ่งที่หนูไม่ชอบอ่ะขัดใจอ่ะอย่างที่ว่าเหม็นน่ะโอ้โหมันมันหลุดทั่วออกมาจากในใจเราเลยนะคะสิ่งที่มันขัดใจอ่ะ Mm hmm. พอเราทันแบบเนี้ยมีความรู้สึกโอ้โหจิตมันจิตมันมันไวในการที่เห็นแล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันเห็นเห็นไปเรื่อยเื่เห็นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นเป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะหลวงพ่อ mm hmm. ก็คือเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรกับมันมันก็เลยมีแต่ความโปร่งโล่งเบาแต่บางครั้งบางครั้งก็ยังไม่ทันก็มีค่ะหลวงพ่อบางบางครั้งก็ยังยังไม่ทันก็มีค่ะหลวงพ่อกดังซ้ำไปเรื่อยๆ ค่่หลวงพ่อแต่มันเห็นอีตอนช่วงที่พรมันทันโอ้โหหลวงพ่อเขามันมันแบบมันโป่งมันโล่งมันเหมือนอะไรหลุดออกจากใจไปเลยอะ่ะค่ะหลวงพ่อมันเห็นสภาวะแบบนี้ยค่ะหลวงพ่อสภาวะปล่อยวางอ๋อค่ะหลวงพ่อแล้วอันนี้หนูหนูเหมือนหนูต้องซ้อมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ในที่ยังเป็นทําให้เราทุกข์อยู่เราต้องเร า, เราต้องปล่อยให้ได้ให้หมดค่ะค<ข>่ะหลวงพ่อ คือคือตอนเนี้ยปัญหาของหนูอ่ะมันสมาธิมันมันเยอะอะค่ะหลวงพ่อมันพอมันเห็นอาการพวกเนี้ยมันจะหลบค่ะหลวงพ่อมันมันมันทําให้หนูแบบต้องใช้ปัญญาก็รับมันค่ะค่ะหลวงพ่อก็คือหนูหนูจะเห็นถ้าใช้ปัญญาคือหนูจะสอนว่าไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นอาการแค่เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นของเกิดดับเราไปยึด มันไม่เห็นหน้าตาเราไม่สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ค่ะค่ะเรค่ะมันจะมาก็ต้องปล่อยมันมามันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปค่ะถ้ามาแล้วอยากให้มันอยู่อยากให้มันไปก็ทุกถ้าไปแล้วอยากให้มันกลับมาก็ทุกค่ะหลาพอฉะนั้นอย่าไปอยากกับอะไรค่ะถ้าก็คือท่านหนูเจอตรงเนี้ยก็ให้ใช้ปัญญาดูมันไปตรงๆ รับมันไปตรงๆเลยใช่ไหมหลวงพ่อหรือว่าเราทุกข์ก็บอทุกข์ก็แสดงว่าเรายังอย่างอยู่ค่ะหลวงพ่อถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเัาก็ไม่อยากเราก็เฉยเฉยนะค่ะหลวงพ่อเห็นเห็นแนวทางแล้วค่ะหลวงพ่อเห็นได้เห็นบัญญาค่ะหลวงพ่อโอเคกล่าวขอว่าคุณหลวงพ่อมางหว้นะคะค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะคุณมอร่วมเลี้ยงเชิญ เห็นเข้ามาตันต้นแหายไปมาคิวกับมาอยู่บายแถวนมันหลุดไปนะครับครับไม่ได้ไม่ได้หลุดขนหลวงพ่อครับนวัตการหลุงพ่อครับครับมีอะไรไหมก็รายงานงพ่อปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับยังรักษาสินแปดครับแต่ว่าบางอาทิตย์ก็ได้สองวันสามวันนะครับเแล้วก็ครับจับตาไปเรื่อยๆยีบตานไปเรื่อยๆ ครับพระหงพ่อครับก็พยายามเต็มที่ครับแล้วก็เห mm hmm. นที่หลวงพ่อบอกเมื่อคีนถ้ามันทุกข์แสดงว่ามันยังอยากอ ย, กอยู่อ mm hmm. ออืเบางทีเราทํางานนะครับหลวงพ่อเราก็อยากเราก็ทําแล้วก็พยายามตั้งใจให้งานมันดี mm hmm. แต่จริงไม่ได้อย่างที่เราเราก็บางทีเราก็ทุกขกับหลวงพ่อเพราะว่า mm hmm. คนอื่นเขาก็ไม่ไทิ้อย่างเราครับอาจารย์บางทีเขา mm hmm. เขาก็เอาแค่ตัวรอดนะครับ แต่ครับไปโก้ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ครับแล้วก็บางทีบางคนก็คือเดี๋ยวนี้สังคมมันลําบากครับหลวงพ่อบางคนก็จ้องร้องเรียนจ้องทำร้ายคนอื่นนะครับอืมเราจะไปทําอะไรที่มันช่วยคนอื่นแต่เสี่ยงมากก็ไม่ได้ครับหลวงพ่ออืเอาหอดเข้ากระดองดีกว่าเป็นเต่าหอดเข้ากระดองดีกว่าครับก็ครับหลวงพ่อบางทีมันก็เสียดายนะครับแต่ก่อนจาได้ตอนหนุ่มๆกว่าเนี้ย ตอนนั้นเอออะไรก็ตามที่คิดจะช่วยคนหรือจะทาอะไรเนี่ยมันสังคมมันไม่ได้ร้องเรียนหรือว่ากันแกล้งกันแบบเนี้ครับเดี๋ยวพอเราอช่วงช่วงช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นว่ามันเสี่ยงกับหลวงพ่อเพราะว่าบางทีเราทำบริหารราชเราทํางานราชการเนี่ยเราทําช่วยคน่ามันอาจจะเอ่อไม่ถูกระเบียบเลยเงี่ยเราก็เสี่ยงมากเลยครับหลวงพ่อตอนหลังมันก็ต้องทาให้มันปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ครับหลวงพ่อครับครับก็วันนี้ก็เลยต้องมานั่งสมาธิให้มากขึ้นเพราะว่าใจมันจะพอมันมันมันก็ช่วยไม่ได้แล้วหลวงพ่อมันก็จะแบบใจมันจะเศร้าๆครับหลวงพ่อต้องทําให้เป็นอุเบกขาใจเย็นจรัครับครับหลวงพ่อมันจะมีความอยากช่วยเขาอยู่มันช่วยไม่ได้ก็เลยเศร้าครับไปหลวงพ่อเพราะบางทีมันดูแล้วเออถ้าคนละไม้คนละมือหรือคนถ้าไม่มาอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้ครับหลวงพ่ออืม ก็ต้องคิดแบบอย่างนี้คิดวาสมาธิบ่อยๆครับหลวงพ่อครับสมาี่สําคัญครับสมาธิอย่าเป็นตัวปล่อยให้เราอัญญาจะบอกให้ปล่อยแต่ถ้าสมาธิมันไม่ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ครับหลวงพ่อครับต้องเพิ่มเข้าไปอีกครับหลวงพ่อต้องปฏิบัติเพิ่มครับครับต้องปฏิบัติเพิ่มไปอีกครับหลวงพ่อรีมันเจอทดสอบแบบนี้เราก็ เราก็เออจริงนะพอดีเจอเรื่องอย่างนี้เพราะความอยากตั้งใจทำความดีแล้วทําไม่ได้นี่มันก็กลับเป็นอีกเรื่องกรับหลวงพ่อืครับโอเคพอผมจะตั้งใจอธิษฐานกับหลวงพ่อตั้งใจปฏิบัติยิ่งขึ้นไปนะครับจะนั่งมสมาธิขึ้นจะเจริญสติให้เยอะขึ้นสดหมนให้เยอะขึ้นครับหลวงพ่อนี่สาธุครับสาธุของหลวงพ่อาท่างแข็งแรงนะครับอสาธุหากคุณบอว่าท่านเสนสุทัศน์เ เป็นยังไงเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเจ้าค่ะท่านพอาจารย์โอเคยังไงไปที่คุณนานต์ต่อไปคจะเรียบร้อยดีเป็นกานแล้วแต่ในมัสการกค่ะหรือไม่มีคาถามก็ค่ะวันนี้เข้ามาสายหน่อยนะลูกตข้ต้องแต่สองทุ่มนะคะโอเคค่ะเราอยู่ข้างนอกค่ะได้ข่าแล้วขอบคุณามากเลยนะคะโอเคค่ะ เนี่เราไที่คุณล้าต่อเลยคุณลา้า ม, มีใครเข้ามาอีกคนเนี่ยซันนี่ครับซน น, นี่ต่อเราอ่าซนนี่เป็ไงสันนี่กลางน้ำมาสักกันพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ตอนนี้เทายิาง่งบุญใหญ่นะนะค่ะเป็นอ่านะคะขึ้นขึ้ น, น, นลงลงเป็นรถไฟหอกมออว้าเลยพอขึ้นแบบมือว้าลงแบบมือว้าค่ะพระอาจารย์ก็ ตามโลเขาไปค่ะพระอาจารย์นิดจังถ้าขายไปก็ ก, กลัวเดี๋ยวถ้าเกินเกิดเงินใช้ไม่ได้ยาวอะไรมาใช่ไหมถ้าไม่ขายก็พลาดโอกาสกำลัขงของขึ้นของก็จะเจ๋ได้ค่ะเกินไม่เข้าขายไม่ออกนะคนเราแน่า <c oughs> จะเป็นหลายคนคะ่ะถ้าขายทางไปเอาเองนินมาแล้วเงินมันตกไปทําไม มีสงครามใช้เงินไม่ได้ทํางก็ต้องใช้ใช้ทองแทนใช่ค่ะก็คาดเดาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์สมัยนี้ที่มันขึ้นว่าคนกลัวเรื่องเงินไม่ไม่มั่นมันมั่นใจกับเงินใช่ไหมก็เล่าทองเก็บไว้ก่อนดีกว่าราคาอะไรซื้ออะไรขึ้นนี่คนที่มีทองให้เอาไปขายแล้วก็ขายแล้วจะเอาเงินมาเงินก็เป็นของที่อาจจะใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วจะทํายังไงก็อาจจะไม่ได้ขายไม่ค่าขายเลย แต่ถ้าสงครามแบบถ้าเป็นสงครามจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสงครามจริงๆอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งเงินทั้งทองหรือเปล่าคะอาจารย์ทองอาจจะแบบอาหารอาหารอาจจะดีสุดใช่ดังนั้นก็ทําที่มันใคยๆก็เอาทั้งินแหละแต่เงินนี่มังไว้แรกเปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่าใช่ก็ไม่รู้แหละนะยอมแกเจ็บตายก็กันแประหานก็จบยังวไง ยอ ม, มค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่เปลี่ยนสูตรนี่งนี้จะมีสงครามมีทองขึ้นทองลงแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมใช่ค่ะอาจารย์ตอนแรกหนูก็คิดที่พระอาจารย์บอกว่าอะไรจะเก็บทองเก็บเงินแต่คิดไปโอ้ปวดหัวก็ยอมดีกว่าค่ะจจยังไงก็ได้เลยค่ะ<า>พระอาจารย์ตามเกิดก็มีไว้บ้างถ้าถ้ามีเก็บก็เก็บไปเผื่อไว้ แบ่งไว้ครึ่งคึ่งค่ะอาจารย์ห้าสิบห้าสิบไปเลยดีค่ <laughs> ะอาจารย์ส่วนการปฏิบัติของหนูเอมรณ า, านุสติหนูก็เริ่มเห็นเออ่ข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของมรณ า, านูสติมากขึ้นค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้มองคนอื่นว่าเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายอย่างนี้ยค่ ะ, อะนอกจากจะเห็นจะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบทําให้ ความไม่พอใจของเราที่อาจจะมีกับคนอื่นที่แบบเขาไม่ได้เป็นดั่งใจเราที่เราอยากจะให้เขาเป็นก็แบบหายไปค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราก็รู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องตายไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะไปกดเขาก็เหนื่อยเหมบอกัว่าเนะหรกอปล่อยให้เป็นใามตามกรรเขาเลยค่ะค่ะก็เลยได้ประโยชน์จากมร น, นุสติค่ะแล้วก็แต่ก็จะพยายามฝึกต่อไปค่ะดีมากอาาโอเค อ่าไม่มีคำถามอื่นละค่ะอ้าสาธุอ่าบารมีกุลลาไนดะ้แทนลากลับนมัสการครับพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะ ก, ะกะลับนมัสการพระอาจารย์ครับอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ส่งให้โรงฆ่าไม่ได้ฆ่าเองบาปไหมครับไม่บาปแต่ก็เป็นอาชีพที่ไมคนทําไม่ใช่เป็นสัมมาชีพเพราะว่ามันเป็นการค้าขายบน ความเสียความเสียหายเดือดร้อนของพู้คนคำถามต่อไปถ้าเกิดความเจ็บปวดผมควรยอมรับสักแต่ว่ารู้หรือควรจะกําหนดอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวไม่คิดอะไรครับก็ถ้ า, ายอมรับไม่ได้แล้วก็ต้องอาใสยพุทโธบาง ท, ทีเราอยากจะยอมรับแต่มันไม่ยอมเราก็ต้องใช้พุทโธทําให้มันยอมให้ได้ คำถามต่อไปการที่ผมกําหนดดูกายตรงที่เจ็บสแกนดูรายละเอียดอวัยวะนั้นผมควรพิจารณาอวัยวะที่เจ็บนั้นอย่างไรครับอ่าไม่ได้พิพจารณาอวัยวะเราพิจารณาอาการเจ็บว่าอาการเจ็บนี้มันเป็นตายรัมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่ไปสั่งมันได้มันจะเจ็บเราก็จะไปให้มันหายมันก็ไม่ได้เวลามันจะไม่เจ็บเราจะสั่งให้มันเจ็บมันก็ไม่เจ็บเออะนั้นเราต้องยอมรับกับมันไปว่ามันเป็นอนิจจังเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเจ็บแล้วเดี๋ยวก็ไม่เจ็บเดี๋ยวก็เป็นกลางๆหน้าแต่มันหน้าที่ของเราก็คืออย่าไปทุกข์กับมันยอมรับมันไป คำถามสุดท้ายเมื่อกําลังจะตายควรกําหนดอยู่กับทํากรรมฐานเช่นพุโทโธอย่างเดียวหรือควรจะอยู่กับผู้รู้สักแต่รู้ไปครับกราบขอบพระคุณครับแล้วแต่เราทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไปก็แล้วกันเพราะขอมพลกนี้มันต้องฝึกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากจะทําแล้วมันจะทําได้นะตอนนี้มันพูดได้ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์แต่วเราถึงเวลาเหตุการณ์จริงวันนี้นึกถึงพุโทโธได้หรือเปล่า นึกถึง ส, สักแต่ว่ารู้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ฝึกไว้ไม่ได้เนาะต้องฝึกไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักมวยถ้าให้ซ้อมโชคไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไปขึ้นเวทีโชคไม่ออกเนะาะจะถูกเขาโชคอย่างเดียวคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด